เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึง่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมและในเรื่องของการทำทานการรักษาศีลการภาวนาะ ท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามาได้มาร่วงกันได้ลำ ด, ดับแรกที่เข้ามาในคืนนี้ก็คือคุณหมอพี่เชยเชิญคุณหมอมีอะไรไหมอยากขอทำหมอเปิดไม่ก่อนคุณหมอยังไม่ได้เปคุณหมอกลับมาสมการพระอาจารย์ครับไม่อไรมีอไรมีอะไระไหมวันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายซับ ที่แท้จริงนั้นต้องเป็นทรัพย์ภายในคระโคจันทร์ทรัพย์ภายนอกมันเป็นทรัพย์ชั่วคราวเราได้ผ่านทางร่างกายแล้วก็รักษามันได้ด้วยร่างกายพอร่างกายเราสิ้นสุดลงทรัพย์ภายนอกก็สิ้นสุดลงใจก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปกับใจได้แต่ทรัพย์ภายในคือทรัพย์ที่ ติดอยู่กับใจนี้เป็นทรัพย์ที่ไปกับใจได้ทรัพย์ภายในของใจก็มีหลายครับหลายระดับหรือลายหลายขนาดเป็นเหมือนธนบัตรที่มีหลายหลายขนาดใบละ 20, บยี่สิบใบละห้าสิบใบละร้อยใบละห้าร้อยใบละพันทรัพย์ภายในก็มีหลายระดับระดับต่ําก็คือเทวทรัพย์ขั้นแรกมนุษ ย, ท ร, ยทรัพย์ก่อน การเป็นบรรลุนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งว่าดีกว่าไปเกิดเป็นสัต์ในราชาหรือไปเป็นเปรตไปตกนรกนการที่จะรักษามนุษยทรัพย์ไว้ได้ก็ต้องเกิดจากการรักษาศีลห้ามาให้หรืออย่างน้อยไม่ให้บาปมีมากกว่าบุญใ ห, ให้บุญมีมากกว่าบาป ถ้าเราไม่ทำบุญเลยแล้วเรามัน่นเราคิดว่าจะรักษาสีได้ตลอดก็ก็ลองดูมาแต่บางทีบางเวลาเหตุการณ์มันก็อาจจะทำให้เราพลาดทร้งได้เพื่อการไม่ประมาทเราก็ควรจะสร้างบุญด้วยทำบุญด้วยบุญนี่ก็จะให้เรายกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นเป็นในระดับของเทพเทวทรัพย์กายที่มีความสูง ต่างกับกายทิพที่มีความทุกข์โดยพวกเปรตพวกอสูรกายพวกนรกนี่ยวกนี้เขาไม่รักษาสิ่งเขาทําบาปเป็นอาจินเวลาตายไปบาป ท, ที่เขาทานี่มันมีพลังมากกว่าบุญที่เขาทาหรือไม่ได้ทำํำนะบางคนทําบาปอย่างเดียวไม่ชอบทําบุญอันนี้ก็ถ้าอยากจะรักษาระดับที่เป็นอยู่ในตอนนี้คือมนุษย์ เราก็ต้องไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่มาพูดผิดประเพณีไม่พูดปดแล่ก็ละเว้นการเสกประบายมุขเช่นเสรา ย, ยามาอันเป็นเหตุที่ทำให้ขาดสติที่จะไม่สามารถที่จะหยุดายการกระทำบาปได้ถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นมาในใจอ น, นี้ก็คั้นแรกก็รักษามนุษยทรัพย์พวกเราทุกคนเป็นมนุษย์ แต่เราไม่รู้ตอนนี้มีเป็นมนุษย์อยู่สองมูลหรือไม่ถ้าเราเริ่มทําบาปไปมันก็เริ่มเหมือนกรแหวงไปทีละนิดทีละหน่อยถ้าเราไม่ทําบาปเลยมันก็ยังสมบูรณ์อยู่แต่วิธีที่เราจะช่วยป้องกันไม่ให้บาปมันส่งผลให้กับจิตใจของเราก็เราต้องพยายามทําบุญไปด้วยแล้ว อให้บุญนี้ที่เราทำนี้มันมากวาาม ก, มากว่าบาปให้มันมีกําลังมากกว่าบาปเออเวลาตายไปบุญนี้ก็ยังสามารถเด้งใจขึ้นไปเป็นเทพได้แต่ถ้าบุญ น, อน้อยกว่าบาปเนี่ยบาปมันไม่เด้งให้ไปเป็นเดราาัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างนึเป็นนรกบา้างขึ้นอยู่กับเหตุของการทําบาปเหตุของการทําบาปก็มีอสี่ อคติสี่ก็คือความหลงทําบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดราาัจฉานความหลงก็คือความไม่รู้ผิดถูกดีชั่วที่ว่าทำแล้วเพื่ออยู่รอดก็โอเคแล้วมันก็เป็นหนสตร์เดราาัจฉานเราว่าน้องฆ่าสัตว์เล็กสัน้อยเป็นการอยู่รอดของเขาอันนี้ทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ผิดถูกดีชั่วก็ไปสู่การ ไปเป็นเดละจฉานทำบาปด้วยความโลภ ท, ท, ทั้งๆที่ไม่พอกินอยู่แล้วไม่ต้องทําบาป ก, ก็อยู่ได้แต่อยากร่ำอยากรวยอยากมีทรัพย์ในอะไรมีหน้ามีมตาเลยทําบาปด้วยความโลภขอรับชันกงกินอะไรต่างๆนี้ <c oughs> อันนี้ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกทำร้ายเลยทำร้ายเขาขก่อนกําจัดเขาก่อน อย่างนี้ก็เรียกเป็นอ ส, สุ ร, รกายถ้าทำบาปด้วยความอาคาตปริยาบาปก่อเกียดแค้ น, องงอ น, อ น, นจองง้างจองฐานกันจองเวียนจองกรรมหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ยังการป้องกันไม่ให้จิตตกตงต่ำของมนุษย์ก็คือการรักษาสิ่งหน้าและการไม่เสพป บ, บายมุกต่าง เพราะอบายมย่นูจะเป็นตัวชุดล่าให้ไปทำบาปได้ง่ายขึ้นอันนี้ขั้นแรกรักษาทรัพย์ไปในคือทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วก็คือความเป็นมนุษย์ของเรานี้ให้คงอยู่ต่อไปด้วยการไม่กระทาบาปแล้วถ้าอยากจะยกระดับของเราให้สูงขึ้นระดับที่สูงกว่ามนุษย์ก็คือเทพที่ติดกับมนุษย์คือเทพ ระดเทียมนี่จะมีความสุขมากกว่ามนุษย์นะถ้าเปรียบเทียมถ้าเป็นมนุษย์ก็เหมือนคนทํา ง, งานทําการมีสุขมีทุกข์ต้องทํา ง, งานหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองใช้เงินไปกับของจําเป็นต่างๆแต่พวกเทศที่เป็นครทั่วคนที่เขามีเงินเหลือใช้ mm. เขาไปเที่ยวกันไปเที่ยวต่างประเทศกันเขาไม่ต้องทํางานแล้วเขามีเงินใช้ถ้าอยากจะไปท่องเที่ยว เป็นเหมือนเป็นเทพนี่นก็ต้องหาเงินสะสมเงินก็คือบุญทำบุญให้เยอะๆทำเงินทาวที่เราติดตัวไปไม่ได้นี่มันเปลี่ยนเป็นบุญบที่เราติดตัวไปได้เหมือนกับเวลาจะไปต่างประเทศนี่เราต้องเปลี่ยนเงินไทยให้ไปเป็นเงินสกุล ข, ข, ของประเทศที่เราไปไปญี่ปุ่นก็เตรียมเงินเ ย, ย, ไเ ย, ยนไปเอยอะๆเราไปถึงก็จะใช้ได้เลยไม่ต้องไปหาที่เปลี่ยน อ่างั้นพวกเรารู้นะพวกเราต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไม่ช้าก็เลยจะไปไหนไปที่ไหนไปสูงไปต่ำไม่อยู่ที่การกระทำของเราทําทบาปก็ลงต่ำถ้าทำบุญก็จะไปสูงไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องมีเงินใช้ในต่างประเทศก็คือบุญบุญคือเงินเงินในโลกทิพย์การทิพย์นี้ใช้บุญเป็น เป็นเงนเงินนีน่ระดับที่สูงกว่ามนุษย์จะมีความสุขมากกว่ามนุษย์แต่มนุษย์ก็ต้องทางานหาเงินก็ไม่ค่อยมีเวลามีความสุขเท่าไ่ไม่เหมือนกับคนที่ไม่ต้องทํางานมีเงินเหลือกินเหลือใช้ก็ไปเที่ยวไปตรงที่มีวุญญะก็ เ, เป็นพวกประเทศก็ไปตายไปก็ไปไ ป, ไปเที่ยวท่องเที่ยวในแดนเอเวอรมินต์ โลกที่ก็คือญาณเนลมิตรนี่ยแล้วก็ดุลนี่เราเป็นผู้ีเดนลามิตรความสุขต่างๆให้ถ้าไปอบายก็บาปนี่เราเป็นเนลมิตความทุกข์ต่างๆให้เสก <c oughs> เหตุการณ์ร้ายเลวต่างๆเหมือนอยู่ในโลกของความฝันนะฝันร้ายมันไม่ดีเป็นอนิสงค์ของบาปที่ทำํำฝันดีฝันดีเป็นอนิสงค์ของบุญที่ทํากำนะ ในเวลาตายไปแล้วก็เหมือนเราเราเป็นสู่ในโลกของความฝันนี่เป็นแดงเนลามิตนี่เองบุญนี่แหละเป็นทูดเนลามิตรเรื่องราวดีๆให้เราได้สัมผัสนะบุญแต่ถ้าเราที่ว่าเราอยากจะได้ความสุขมากกว่า น, นี้ก็มีอีกอี ก, อ, กอีกสองระดับระดับถัดไปก็คือระดับสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพรหมนี้มีความสุขมากกว่าสันชั้นเทพ ถ้าชันถ้าชั้นชั้นเทพเป็นบรรละบาทไปละร้อยชั้นพร้อมก็เหมือนบรรละบาทไปละห้าร้อยมีความสุขมากกว่าแต่การจะไปเอาสมบัติชั้นที่ได้ต้องมีการกระทําที่มากต้องลงทุนมากกว่าการไปสอนชั้นเทพการชั้นเทพไปเนี่ยทำบุญทําทานตลาดเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ไปเราก็ได้ละ สวัสิส์สชั้นพรอมนี้ต้องไปอยู่แบบนั่งบวชอย่างน้อยต้องถึงสี่แปดเลือกการหาความสุขของของของเทพคือการรูปเสียงกินก่นรสต่างๆเพื่อที่จะไปหาความสนุกที่เป็นความสุขของพรมอันนี้ก็องไปปรตวิเวกถึงสี่แปดอยู่คนเดียวอยู่ที่เงียบๆเดินจงกรมนั่งสมาธิรินสติ ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีสติอย่างต่อ น, นี้นนเข้าสมาธิได้เข้าสู่ฌานระดับต่างๆแล้วก็เริ่มเข้าสู่สวรรค์ชั้นคงอันนี้พอร่างกายตายไปใจในที่เข้าฌานได้ก็จะเข้าฌานไปนสูชน่ชั้นต่างๆตามความสามารถที่ได้ได้ฝึกฝนอบรมไป แต่สวรรคทรัพย์ทั้งสามระดับนี้มนุษยียทรัพย์เทวทรัพย์พรหมทรัพย์นี้ยังถือว่าเป็นโลกียทรัพย์เป็นทรัพย์ที่อยู่คู่กับโลกของการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. จะเลินได้ก็เสืมได้ mm hmm. เ, ปเป็นเป็นพรหมอยู่ได้ระยะหนึ่งสติที่ส่งไปเป็นพรหมอ่อนกําลังลงก็เลื่อนออกมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ mm hmm. บุญยินส่งให้ไปเป็นเทพ พอใช้เงินหมดก็ต้องกลับบ้านเราไปท่องเที่ยวเสร็จเงินหมดก็ต้องกลับบ้านมาทํางานใหม่พวกนี้หลังจากไปเที่ยากลับมาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทาบุญทําทางใหม่มารักษาศีลมาภาวนาใหม่ก็จะขึ้นขึ้ น, นลงลงอย่างนี้ไปในใตายพบเพราะไม่มีใครรู้วิธีที่ทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดวิธีที่ไม่ต้องกลับมาเติมบุญอยู่เรื่อย อันนี้ต้องรอเวลามีพระพุทธเจ้ามาตัดสินพระพุทธเจ้าสองคนพบว่ายังมีทรัพย์อีกระดับหนึ่งเป็นทรัพย์ที่ถาวนได้แล้วไม่เสือ่อมเราเรียกโรากุตระทรัพย์ทรัพย์ที่อยู่นอยู่เหนือโลกอยู่นอกโลกแห่งการเป็นว่าตายเกิดตามนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการเจริญปัญญาต่อยอดจากหลังจากที่ได้ฌานได้สมาธิแล้ว ในลออกจากสมาธินั้นก็ให้พิจารณาสภาวะธรรมความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่ใจยังไปติดยึดยู่ว่าเ ป, เป็นเป็นเป็นความสุขเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรูปสิ่งโลกเสียงกินดอนอันนี้ก็เป็นเป็นทราบกามาทราบที่เจ็บของสารโลกยังติดกันเพราะยังมีการมาตัญหาอย่างๆจะเสกการม ส่วนพวกอีกพวกเนี่ยครไปไปเสเอรูปประชานเอาูปประชานตรงนี้ก็เกิดกลับมาเกิดกี่ครั้งก็อยากจะเข้ากลับไปปฏิบัติเข้าสมาธิเข้าฌานไปทรัพย์เนี้ก็ยังเป็นทรัพย์ที่เป็นอนิจจไม่เที่ยมเวลาเสดว่าทําให้ใจทุกข์ได้เวลาเข้าฌานไม่ได้ก็จะทุกข์เวลาไป ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้ก็จะทุกข์ต้องใหพิจารณาให้เห็นว่าขอางเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไปสั่งเขาไม่ได้ก็อย่าไปติดมัอนอย่าไปหาทรัพย์เหล่า น, นี้หาความสุขจากสิ่งเหล่า น, นี้อย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรอยากไปหาความสุข จ, จากรูปปัจจัยรูปปัจจัทุกครั้ที่เกิดความอยากการมติหาภาวะันหาวิภาวะทันหาก็ ใช้ปัญญาสารเหล่านี้เป็นัพา์ชั่วคราวมั่นเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้ก็ดีเวลาไม่ได้ก็จะทุกข์เวลาได้มาแล้วสูญเสียไปก็จะทุกข์ให้อยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่า อ, แบบอันนี้ถ้าสามารถตัดความอยากได้ด้วยการเห็นใจแล้วต่อไปใจก็ไม่มีอะไรไม่มีความอยาก ก็ไม่มีอะไรมาสร้างความหิวโหยให้กับใจเพราะความหิวโหยเกิดจากความอยากเราไม่มีความอยากใจก็อิ่มขึ้นมาโดยโดยโดยธรรมชาติของเขาสมองอิ่มสมองไม่หิวไม่โหยอยู่กับความว่างได้ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขอันนี้เป็นทรพัพย์สูงสุดในวินิพันธ์ที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้ เราสามารถเอานิพพานมาคว้าไม่ในใจได้ทั้งตายก่อนตายไม่ต้องรอให้ตายถึงจะได้ น, นิพพานนะแต่โตพุทธเจ้าได้นิพพานตั้งแต่อายุ35ตอนที่ประทับอยู่ใต้ขคนต้นโพธิ์ น, นั่นแหลท่านคว้านิพพานเข้ามาแล้วครอบอเป็นสมบัติแต่ร่างกายยังอยู่ท่านก็เลยอาศัยใช้ร่างกายนี้ทำประโยชน์ให้กับโลกมาสายพวกเราที่ไม่รู้ วิธีเข้านิพพานมาเข้าอย่างไรก็มาสอนทุกแบบนิพพานยังมีมีสองแบบเนีลยนิพพานในขณะที่มีขันกับนิพพานที่ไม่มีขันนะขันก็คือร่างกายอันที่ยังไม่ร่างกายก็เรียกสานุปานิเสสานิพพานอีกอันหนึ่งสานุปานิเสสานิพพานมันมีสองอันนี้แต่างไม่ทราบว่าอันไหนต้องไปค้นดู อันหนึ่งคือมีขันอีกอันอีกอันหนึ่งคือไม่มีขันอันนี้คือนิพพานบางคนไม่เข้าใจคือว่าต้องรอให้ตายก่อนถึงนิพพานเพราะส่วนใหญ่เวลาพากานตายเราจะใช้คําว่าท่านไม่ท่านนิพพานท่านเข้านิาพพานแต่ความจริงท่านไม่ได้เข้านิาพพานนิพพานท่านอยู่ในนิพพานตลอดเวลาอยู่แล้วท่านไม่ต้องไปเข้าหเนี่ยท่านปล่อยขันวางขัน แล้วใคร อ, อยู่กับนิพพานตายแล้่านามไม่ต้องมีขันอยู่ด้วยแต่เราคนไทยไม่ชอบใช้คําว่าตายเวลาคนตายเราชอบหาคําแท น, ทนนะเนีเช่นพ้าก็มองอาภาพเป็นผ้าอริยะเราก็บอกท่านไปนิพพานนะพราชาแผ่นเจ้าแผ่นเดินก็เรียกสวรรค์อคตไปสวรรค์นายกตอสัญญกรรมแต่ไม่ไม่ชอบคําว่าตาย ไม่ใช่คำว่าตายแต่คำาั้นนี้หมายถึงตายเหมือนกั น, นบางคนก็เลยเข้าใจว่านิพพานต้องรอให้ตายก่อนถึงจะถึงจะไปได้ไม่ใช่เราสามารถไปถึงนิพพานเข้านิพพานได้ตั้งแต่เรายังไม่ตายอันนี้คือทราบไป่อยที่ถาวรถ้าได้นิพพานแล้วก็ไม่มีวันที่จะกลับมาต่อไปไม่ไม่รัก และก็ไม่ต้องการทรัพย์อย่างอื่นด้วยเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าทรัพย์อย่างอ่นเป็นทุกข์ทั้งนั้นถึงแม้จะเป็นพรหมทรัพย์เป็นเทวทรัพย์มันก็เสื่อมมันก็หมอได้หรือโลกิหรือทรัพย์ทางนอกทางร่างกายที่เรามีกันทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองก็เป็นของชั่วคราวทรัพย์ภายนอกก็เลยสําหรับคนฉจาจก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าสละทรัพย์ภายในด้วยการทํำทาย ไห้สวัดิภาพภายนอเพื่อได้ผลทรัสดิภายใมีเงินทองสวัสที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ก็เอาไปทำาลทาทางอย่างเศรษฐีที่ไปบริจาคเงินเก้าร้อยล้านให้กับโรงพยาบาลนามาท่านเห็นว่าท่านก็เอาใช้ได้เห็นไหมเก้ารอยล้านเนี่ยจะเอาไปซื้ออะไรกินเนี่ยก็ไปทำาล น, นตายไปก็ไปสวรรค์นะได้ได้สวรรค์ชั้นเทพนะ ถ้าจะไปสอนชันน้นผมนี้ต้องไปบวชไปอยู่กับนักบวชไปเข้าสมาธิเข้าฌานให้ได้เป็นั้นสอนชั้นโทนแ้าอยากจะได้สวรรค์ชั้นอริยก็ต้องมีปัญญาแห่งสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นไตรลัเป็นอริยเจ้าทุกขงังอนัตตาจะได้ตัดความอยากในสิ่งทั้งๆสภาวธรรมทั้งหมดให้ได้ถ้าได้ก็ไม่ต้องก็จะไม่มีความอยากหรืออยู่ในใจ มันไม่มีความอยากใจก็เลยสงบโดยธรรมชาติอิ่มโดยธรรมชาติสุขโดยธรมยธรมชาติสุกสงบกับความว่าความว่างเนี่ยถึงเป็นความสุขอย่างนิ่งตามที่พรเจตัสนิพพานนำบาลามสุขอย่างนิพพานนำบาลามสุขถังเี่ยพวกเราตัดความอยากแต่ไม่ได้ได้มากกว่าเสียตัวข อ, อยากกิด น, นู่นกินนี่ไม่ได้กินเราขาดทุน ไม่กินได้ดีอะ่านั้นไม่ติดใช่ไหมไม่กินแล้วมันติดใช่ไหมกินแล้วก็ล้อมกินอยู่เรื่อยๆลองนลิกกินดูแลสบายต่อไปไม่ต้องไปหามันตัดไอความอยากในรูปเสียงกินรลกก่อนเครื่องดื่มต่างๆของกินต่างๆกินเท่าที่จาเป็นกินถ้ากินอาหารก็กินแบบกินยากินเพื่อยู่เพื่อรักษาร่างกายไม่ได้กินเพื่อความสุขความใจ ไม่มีความอยากแล้วมันไม่มีมันเป็นเหมือนไม่ติดถ้ามีความอยากมันเหมือนคนคนติดยาติดยาเสพติดลองดื่มกาแฟดูเลยอย่างดื่มแล้วมันติดเลยมันดื่มแก้วเดียวก็กพอไม่ไม่พอใช่ไหมหมดแก้วหนึ่งหีองอือ ก, ก, ก็อีกสักแก้วนี่สักแก้วนตั้นแต่เราดื่มกาแฟมาจนถึงวันนี้กินกินกี่แก้วมานะแล้วลองถามดูเลยน้องไม่กินเครับครับ ถ้ามีปัญญามีสมาธิกําลังสู้กับความอยากได้พอตัดความอยากได้สูญความอยากได้อีกี่ครั้งมันก็ไม่มาบรบกวนเราแล้วเห็นกาแฟก็เฉยเฉยการไม่มีความอยากดีสุดวิวะไม่มีความอยากไม่มีอะไรมาคอยมาขยา่อยใจเราให้ให้เกิดความหิวโหให้เกิดความกระสับกระส่ายหลุดเหยียดนำขาญใจต่างๆ มันเกิดจากความอยากแต่ต้องใช้สติสมาธิและปัญญาถึงจะสู้มันได้โอเคเข้าใจไหมเข้าใจอย่างมากเลยครับอาจารย์ขอค บ, นะ ค, บคุณอย่างสูงครับไปไงนะยายางนะประยาทราบนะเหือเวลาน้อยแลนะ้วนอย่างน้อยก็ได้เทวทับแล้วนะทำบุญทำทานะแล้วก็อย่าทำบาปห้าขอ้อ ถ้าพรหมะรัพย์ก็ต้องหมันนั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้แล้วถ้าอยากได้วิญญาทรัพย์ก็ต้องตัดความอยากให้ได้ตัดความอยากให้นางกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้ก็ได้ขั้นที่หนึ่งปล่ัแก่ปล่ อ, ม, ลอมันเจ็บปล่อมันตายไปถ้าเราอยากมันทุกข์ถ้าไม่อยากมั น, มนไม่ทุกข์ถ้าปล่อยแล้วมันจะไม่ทุกข์ขอบสาธุครับอาจารย์ โอเคไปที่ท่านต่อไปคุณอิศยาอยู่ที่ดาาที่ว่ากับคุณแม่่ธรรมมาจารย์ค่ะมาอย่างไรโยมโยมมานมสธรรมมาจารย์ค่ะแล้วมาให้กําลังใจพระอาจารย์ว่าสิ่งที่พระอาจารย์พร่ำสอนมานั้นโยมได้นํามาใช้ในชีวิตจริงแล้วเกิดประโยชน์จริงๆค่ะแถวน้อยเรื่องติดการเจรจาเมื่อก่อนโยมจะเป็นคนใจร้อนใช่ไหมคะ เวลาผู้กับคนเนี่ยสมมุติว่าคู่กับคู่สนทนาเขาขึ้นเสียงปุ๊บสีหน้าโยมจะเปลี่ยนทันทีแต่คราวนี้เมื่อวานนี้ไปทําธุระให้หลานชายคู่สนทนาเขาใช้อารมณ์แต่เรารู้สึกทําไมเรานิ่งได้อย่างนี้เราไม่มีความรู้สึ ก, กโกรธหรือไม่มีความคิดอยู่ในสมองเฮ้ยเป็นไปได้แบบนี้ด้วยก็เลยบอกหลานว่าเออฉันแปลกใจว่าฉันเป็นแบบนี้จริงๆไม่มีโกรธช่างหลงอยู่ในนั้นว่าั้ะได้วุ่นวายขา ใช่ค่ะว่างๆแล้วก็คุยกเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาตกลงตามที่เราเจรจาค่ะได้ประโยชน์ค่ะอาจา<ด>รย์สยนทนกันดีๆได้ประโยชน์ได้ได้ประโยชน์มากแบบทะเลาะกันใช่ค่ะปกติจะเป็นคนถ้าเพื่อนเขาพูดแรงมาปุ๊บยมกับทันทีคือแบบสีหน้าจะเปลี่ยนคิ้วขมวด<ช>ทันทีค่ะแต่ตอนนี้บอกไม่น่าเชื่อว่าเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ค่ะ<ม>แล้วก็แบบโอ้นี่สิ่งที่อาจารย์บอกว่าสติและสมาธิทําให้ได้ โยมยังจําคําที่อาจารย์สั่งบอกขออนุญาตใช้คําว่าสั่งนะคะอาจารย์บอกว่าสติและสมาธิให้มากที่สุดเดี๋ยวทุกอย่างจะตามมาโยมก็พยายามใช้แล้วก็มาคิดว่าเอ้ยการที่เราคุยกับคนที่ไม่มีอะไรอยู่ในสมองมันก็ดีมันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะอาจารย์โอ้รู้สึกแบบไม่น่าเชื่อว่าเปลี่ยนได้ค่ะใช่เราอยากไปวางอะไรจากเขาเพราะเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะพูดดีพูดได้เราเขาห้ามเขาไม่ได้ ใช่ค่ะแล้วก็แบบมองมองเขาปกติมองไม่ได้มองแบบโกรธหรือขุ่มัวไม่ค่ะวางเฉยๆเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นคนที่ว่าเขามาปุ๊บโยมกลับทันทีหน้าสีหน้าโยมจะกินก็ราคาก็แล้วขาก็แร้วกินก็ขาก็แล้วประมาณนั้นแหละค่ะจันโยมจะประมาณที่ว่าโยมโยมจะประมาณว่าถ้าใครแรมาโยมแปลงกลับเลยค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแต่ตอนนี้คือปุ๊บเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราเปลี่ยนไปได้อย่างนี้จริงๆ ก็เลยบอกหลานว่าแกขอโทษนะคะบตกว่าแค่สิบกว่าวันที่ไปอยู่วัดนี่ฉันเปลี่ยนเป็นขนาดนี้เลยนะเขาก็อนุโมทนาค่ะท่านพยาพมาเนี่นเดี๋ยวมันหายได้นะมันถ้ายังไม่ไม่รักษาไว้ไม่ค่ะตอนนี้ไม่เข้าสมาธิอยู่เรื่อยเมันหมดได้นะทำค่ะทำทุกวัค่ะรักษาไว้ใช่ค่ะพยายามเดินจงกรมแล้วทําทุกวันมากบ้างน้อยบ้างแต่เขาพยายามทําค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเนาะ การที่เราโกรธคนทันทีแล้วเราทะเลาะกับตัวเองอะค่ะเอาคนอื่นมาทะเลาะตัวเองอะถามตอบถามตอบเองมันไม่เกิดขึ้นแต่มันมีปุ๊บเรารีบดึงกลับมันใช้ประโยชน์ได้ค่ะอันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะว่าสิ่งที่อาจารย์สอนมาไม่ได้สูญเปล่าเลยใช้ได้จริงๆค่ะท่านต่อไปก็คือต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วมันจะรักษาให้ใจเราเฉยได้นานกว่าหรือมองคนมองสิ่งต่างที่เราไปเกี่ยวข้องเรีวยว่าเป็นอนัตตาใช่ครับ พยายามคิบเขาไม่ได้ใช่ค่ะคิดมันก็เป็นอนัตตาเดี๋ยวมันก็หมดไปมันไม่มีอะไรบอกเออมือนก็ดีแบบนี้นี่เองพอเดินไปเดินที่สนามใช่ไหมคะเสียงดังมาปุ๊บเรารู้ว่าอ๋อเสียงแบบนี้เราก็ไปตามเอาเราก็กลับมาใหม่มันใช้ได้จริงๆค่ะอาจารย์มันเป็นมันเป็นอนัตตาทั้งหมดมาให้แล้วเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็วันก่อนนี้มีหลานของเพื่อนโทมาถามว่า เออเห็นไปวัดยานเขาสนใจก็เลยแนะนําเขาว่าอย่ามาถามนะนะไปถามพระอาจารย์อย่ามาถามนะเพราะน้าก็ไม่เก่งเดีย๋ยวว่าคนตาบอดพรำหางช้างวันนี้แนะนําให้เขา้าซูมแต่ไม่แน่ใจว่าเขา้าเข้ามาหรือเปล่าค่ะ <Okay. S 1> ก็แนะนําำถามอาจารย์ <S <S ค่ะอาจอาจเขามา<บ>ได้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้คนเข้าเยอะต้องบาทีต้องรอให้รอไปอยู่ข้างนอกก่อนแต่อย่ข้างนอกก็ดูถ่ายทอดสดไปได้นะเพราะว่า คนเข้ามาเยอะๆบางทีตอบคําถามไม่หมดทุกคนสาธุครับอาจารย์ค่ะยมขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะทําให้คนอารมณ์ร้อนกลายเป็นคนเย็นได้นี่ก็มาหาศ<ำ>ักดิข์ขอบคุณพระพุทธเจ้าสาธุครับยมขอบพระทธรรมพระโสดค่ะนยมยมไปที่ถ้ำดงคัสสิริที่อินเดียนะคะไปเห็นความลําบากตรงนั้นแล้วก็รู้สึกน้ําตามันไหลแบกว่าขอบพระคุณพระพุทธเจ้ามากๆเลยที่เสียสละตนเองขนาดนี้เพื่อมวลมนุษย์แบบ โอ้โหหาไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ไปที่คุงก บ, บิลพัฒน์บอกโอ้โหเปลี่ยนไปขนาดนี้คือแบบนึกถึงทุกครั้งนะคะพระอาจารย์ค่ะอขอบพระพคุณอาจา๊ะก็โลกมันเป็นโลกอนิจจังองโย่ทุกอย่างมันมีจริญมีเสื่อมไปตามกาลตามเวลาของมันใช่ค่ะ <c oughs> ยังคิดว่าปลายปีจะไปอินเดียแต่พอฟังอาจารย์พูดปุ๊บตอนนี้เริ่มลังเลไว้จะไปวิเวกดีจะไปอินเดียดี คนอ่ามันเราอยู่ระดับไหนน่ะเัาทอยู่ระดับภาวนาแล้วเลยไม่อยู่ระดับภาวนาคือแบบว่าโยมไปมาสามครั้งแล้วค่ะจารย์แต่โยมแคมีความสุขทุกครั้งที่ไปไปขยาไปที่เจดีย์อะค่ะโยมมีความสุขแค่ดูกระลอกวิ่งไปวิ่งมาโยมก็มีความสุขแล้วค่ะเลยคิดว่าจะไปอีกพออาจารย์พูดอย่างเอ๊ะเริ่มลังเลเอ๊ะหรือไปวิเวกดีเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มมีการลังเลแล้วค่ะจันโอเคก็ลองเปรียบเทียบดูไปวิเวกกับไป สังเวียนไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันสาธุค่ะครูบาอาจารย์ทั้งหลายส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ไปสังเวียนกันท่านเข้าป่าเข้าเขาอ่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอียงไปทางวิเวกมากกว่าแล้วค่ะแต่ก็ยังเลียดได้อยู่เียน์อวง่มั่นลงตามหาบันี่ท่านไม่ได้ไปเดียร์สาธุค่ะให้ลูกไาธุค่ะาจารย์ไะ้ติดต่อค่ะอาจดิษยามีลนไหมน้ำมัสการค่ะพระอาจารย์เอ่อ ที่เรื่องคุณพ่อค่ะตอนนี้ขออนุญาตคุณพ่อม า, มาพูดคือว่าคุณพ่อฝากมาบอกว่าคือที่ผ่านมาค่ะพ่อถือศีลเจ็ดอะค่ะพระอาจาย์คือเว้น bon, ข้อดูบอลค่ะพระาจายอืมค่ะก็ไม่เป็นไรดีกว่าถือศีลห้า่้าเซฟศีลจินได้ก็เก่งกว่าถือศีลห้าแล้วต่อไปก็ค่อยๆลดมันก็ได้ ก็ยังคงที่สิบเจ็ดอยู่นะคะเขา้าพรรษาสิเจ็ดค่ะถ้าถ้าภาวนามเมื่อไหร่แล้วก็ตอบไปก็จะเริกได้ถ้าไม่ภาวนาก็ยังเริมไม่ได้ถ้าภาวนา ม, มันมีสิ่งทดแทนลูกบอลมันมีความสุขกว่านั่งสมาธิมันมีความสุขกว่ า, ม, า, ม, ม, ว า, ม, วามันก็จะเลิกอยือได้แตตอนนี้ถ้าไม่ภาวนาก็ยังติดรูปสิ่งกิน่็ค่ะมีอีกข้อหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์คือจะ ปรึกษาพระอาจารย์เขาว่าคือตอนที่ไปวิเวกบนเขาอะค่ะหนูเดินจงกรมฝึกสติเยอะมากเพราะว่านั่งสมาธิแล้วมันถูกตีออกมาค่ะการแต่ว่ารู้ตัวว่าเดินจงกรมแล้วมันไม่มีแรงใจอยากจะเดินนานๆแต่ว่ามันไม่มีแรงอะค่ะพอกลับมาที่นี่อะค่ะหนูเลยเพิ่มถ้าสมมุติว่าหนูเพิ่มจากฝึกสติไปด้วยแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิเพิ่มการออกกําลังกายด้วยมันจะทําให้ครั้งหน้าหนูจะทําได้ดีขึ้นหรือเปล่าคะท้าเพิ่ม อันนี้เป็นเป็นกิจจวัตรการเจริญสตินี้ไม่จําเป็นจะต้องออกกําลังกายก็ได้คือนั่งเฉยๆก็ได้นั่งแบบไม่ใช่นั่งสมาธิแบบนั่งแบบเก้าอี้อย่างเงี้ยให้ให้อยู่ในจุดเดียวเมือเหมือนแล้วก็กถา้ามันเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนมันหายเมื่อยก็เราไปนั่งใหม่แล้วก็เจริญสติคอยสู้กับความอยากที่อาจจะไปนูน่นมานี่ทํานูน่นทํานี่ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการจเนิน์สติสู้กับความอยากได้ mm hmm. ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิแบบหลับตาเราก็นั่งแบบนั่งเก้าอี้แบบสบายสบายไม่ต้องการไม่ต้องการทรมานร่างกาย mm hmm. ต, ต้องการเจริทรสติและทรมานความอยากความอยากที่มันชอบ mm hmm. อยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นอยู่ตรงน้นก็อยากจะกลับมาตรงนี้ การเดินดงกรมันยังมันยกเปิโอกาสให้มันไปมาไปมาได้แต่ถ้าเราบังเข้าให้มันนั่งยู่จุดเดียวทำให้ก็รอนุญาตให้ให้ยืนได้แต่แต่ไม่ให้ไปไหนให้อยู่ตรงจุดนั้นมันก็ต้องใช้สติสู้กับมันแล้วหนูต้องตัวอะไรคะดูกายหรือแล้วแต่รู้ไงแล้วแต่รู้ว่าทำอะไรก็ได้ที่จะทําให้ความอยากที่มันอยากจะไปนู่นมานี่มันสู้กับมันให้ได้ ฉะนั้นนี่คือเราตั้งเราตั้งจุดว่าจะอยู่ตรงจุดนี้ไม่ไปไหนแล้วนั่งก็ได้ยืนก็ได้ถ้ายู่น้ํารอาน้ํามาตั้งไวท้ที่ที่นั่งเวลาอยู่น้ําก็เดิจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าไปดื่มน้ำํำแต่อย่าลืมมากเดี๋ยวอยากจะเข้าห้องน้ำหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าเข้าห้องน้ำจำเป็นจริงๆก็อนุญาตไปแต่ไปเสร็จร ก, ก็ต้องกลับมาสู่จุดเดิมค่ะ ไม่ทําอะไรไม่ให้ทําอะไรทั้งนั้นไม่ให้ดูไม่ให้ฟังไม่ไให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิสามตัวนี้สู้กับมัน ค, ค่ะน่าสนใจค่ ะ, คะได้ค่ะได้ค่ะคือถ้าบางทีเราอยู่ในที่ที่เดินจงกรมไม่ได้ที่มันแคบแต่ก็ใช้นั่งกัยืนแทนแต่เจริญสติเหมือนกับตอนที่เราเดินจงกรมไปอลองทําดูไงดูที่จะได้สักกี่ชั่วโมง ไม่ขอไม่น่าไม่น่านาโยมไม่ไม่มีก็อ่านถ้าท่านเจ็บท่านั่งมันเจ็บก็ยืนนั่ยืนให้มันหายเจ็บพอยืนก็เมื่อยก็กลับมานั่งใหม่ได้มม้แค่ทำแค่สองท่านี้โยมเคยใช้วิธีนี้นะคะอาจารย์โยมเจ็บใจตัวเองโลเอาปากกามาขีดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอมันไปอ่านรักฆ่าไปเริ่มใหม่พุทโธพุทโธอยากรู้ให้เขาอยู่อย่างนี้ก็พุทโธพุทโธก็ขีดขีดในกระดาษนะคะ คิดแล้วก็ทับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนั้นเลยคะ่ะแป๊บเดียวมันก็ไปเอากลับใหม่พอไปเดินจงกลมฉะนั้นมั น, ม, นมันก็คิดบอกว่าเขาถ้าแกคิดฉันจะยืนให้แกคิดมันก็ไม่คิดนะคะคือแบบเอากลับมาถ้าคิดจะยืนเฉยเยให้คิดไม่คิดให้นานเลยมันก็มีคิดแบบนะพ อ, อยู <S <S ่เฉยมันก็คิดอะไรนะพอยู่เฉก็อยากเดินนะ ใช้ค่ะบอกว่ายมไปได้จากหนังสือธรรมะบนเขาเล่มห้าซึ่งอาจารย์บอกว่าเวลาเดินอย่าคิดถ้าคิดให้ยืนให้คิดให้เสร็จแล้วก็แต่ท่านไม่ติดเป็นนิสัยพอเดินเด<ม>ินไปคิดปุ๊บคราวนี้ฉันจะหยุดถ้าคิดฉันจะหยุดคิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผ่านอาจารย์ ก, ก็ดีคดีเหมือนกันคนะ่ะค่ะก็สนุกดีอยู่ค่ะอ่าค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะทีะ่หนูถามว่าหนูควรจะอธิบายเด็กยังไงว่าหนูไปไปหอหมายถึงว่า ยไนะทำบุญเพราะอะไรแล้วก็ขึ้นเขาทำไมต้องเสี่ยงเสี่ยงขึ้นเขาอะไรน่ากลัวก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ให้คำตอบแบบที่พระอาจารย์แนะนำเขาดูจากภาษากายแล้วเขาเข้าใจมากกว่าค่ะว่าอ๋อเป็นการแบบว่าเหมือนจ่ายค่าติวเตอร์แล้วก็ไปหาติวเตอร์จะต้องไปอยู่ที่เงียบเงียบแล้วเพื่อจะไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาเข้าใจแบบอ๋อเขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะโอเคสาธุครับ อไปที่จมักับแจที่ไปยังไงเวลาวัสการระจครควันนี้จะมารายงานการาปฏิบัติครับมาว่าก็คือตอนนี้ก็ปฏิบัติได้เยอะกว่า25นาทีแล้วครับเนะกี่นาที2 6นาทีแล้วก <laughs> ็30นาทีก็30นาที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดี แล้วอย่าให้มันน้อยกว่านี้นะถ้าได้สามสิบเราก็ต้องรักษ <ฮะ S 1> าไว้นะั <ฮะ S 1> แล้วก็ค่อยขยับไปเป็นสามสิบห้าต่อไปขอบคุณอาจารย์ถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องเพิ่มไปเรื่อยๆน ะ, <ฮ>ะแล้วเราจะมีความอดทนมากขึ้นอาจะมีอุเบกขามากขึ้นเวลาคั่ <ฮะ S 1> วอะไรเราก็จะเฉยได้ไม่โกรธไม่เสียใจค่ะ ดีไเรายังพิจารณาการทาที่สองอยู่หรือเปล่ายังพิจารณาอยู่ครับอ่าแล้วมเห็นภาพบ้างไห้อย่างเห็นค่ะนีเป็นยังไงบ้างน่ากลัวกันมากครับนัากลั <c oughs> กล็เราอยู่ประมันมาตั้งแต่เกิดเราเห็นโกง น, นะครับ่อนที่ <c oughs> พูดก็ <c oughs> ไอ้ที่พูดอยู่นี้ก็คือคอคองามหลงไม่ใช่ใช่ก็หลกีรษมอย่างที่เราพูดอย่นี้ ถ้าไม่มีไม่มีโครกระดูกนร่างกากยจงนั่งอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้คร่ะร่างกากยจะเป็นเหมไม้กระพุนใชก็เห็นมากระพุนนะครับครับเหนะมือนเยลลี่ครับเยลลี่ <c oughs> <c oughs> นะเออคิดพิจารณาดูนะี่จะได้ชราจะได้รู้ว่าเราต้องเข้าใจร่างกายของเราเรามีมานตั้งแต่เกิดแต่เราไม่รู้จักมันเลยรู้จักเพีแต่ภาย น, นอก เราต้องไปดูภายในว่าอยู่กับมันมาไม่ไมัน ไ, ไม่น่ากลัวหรอกถ้าน่ากลัว เ, ร, เราเรก็อยู่กับมันไม่ได้ครับโอเคมีอะไรไหมมีจ ต, ตีตอนนี้ถือสิ่งเพิ่มคือนอนคืนแบบบางๆนะคะจะ ต, ตีเขานอนได้นอ น, น, อนได้สักขักแล้วครับนอนก็คืนแข็งๆเลยไม่นานกระหวกระเลยไม่นานฟุ้งนาน บ้านอนได้ครับเจตีคอนโทรใช่ไหมคอนเล็คอนเล็กค่ะคนเล็กคอนเล็เกีเ่ยวกับคอนโทรเองค ร, งรับ <c oughs> ทำไมจำแน่นนอนไม่ได้ยังติดความสุขอยู่ติฟูกอยู่ <c oughs> ตอนแรกก็นนอนที่นอนบนเตียงครับแต่เจ ต, ตี้เขาไปนอนห้องแม่ครับนี่ฮะันอยู่แบบลําบากสบายต่อไปเวลาไปอยู่ที่ไหนมันจะได้ไม่ทรมาน ถ้าเราไปอยู่แบบสุขสบายเวลาเราไปอยู่ที่มันลำบากมันจะเราจะทุกข์นะมันจะทุกข์นะนะานอยู่แบบอยู่แบบนอนกับดินกินกับทรายเหมือนไปแคมป์ปิ้งค่ะนะเกบไว้นะข่าวนี้มันดีสังดาห์หน้วต่อไปแล้ววันข้างหน้านเราไม่รู้ว่าเร า, เราจะไปอยู่ที่ไหนม่นบางทีอาจจะต้องออกจากบ้านไปนอนที่ไหนก็ได้ครับ โอเคมีอะไรอยากจะถามแม่หรืออยากจะรายงานอาการอะไรสนะัก2องแม่รังยังจำได้หรือเปล่าจำได้ครับถามว่ามาทักนอนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับผังผืดไ ต, ตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็ก อ, อาหารใหม่อาหารกับเยื่อในสมองศีรษะ น้ำหนีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือ่น้ำน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำปลาน้ำมูกน้ำไข่ข้นน้ำบูดน้ำมูดน้ำไข่ข้นน้ำมูกน้ำปลายน้ำนเหลวน้ำตาลน้ำข้นน้ำเงือ่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีเยี่ในสวรรค์ที่ชอบ อาหารเก่าอาหารใม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตไควางผืดตับหัวใจม้าจิตัน้กระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมโอเคนะนี่คือส่วนประกอบของร่างกายเราทุกคนนะมองใครก็ต้องมองให้เห็นทั้งสามจิสองอาการนี่นะจะได้ไม่หลง ว่าเขาหลอ่อเขาสวยเขางามเข้าใจนะเข้าใจเขา้าใจครับแล้วก็อย่าเลยว่าพัะชาบอกว่าให้พิจารณาว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วต้องเป็นยังไงเจ็บแก่เจ็บใจครับอจาไว้นะจาได้ไหมทุกคนเกิดมาแล้วร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บแล้ววันหนึ่งก็ต้องตายครับ เราพยายามอย่าไปยึดไปถือร่างกายเป็นตัวเราของเรานะร่างกายนี้เป็นเหมือนอเป็นเหมือนคู่คู่แฟดของเราเราเป็นแฝดพี่ร่างกายนึ็นแสดน้องเราเป็นคนสั่งให้น้องทําอะไรสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นอินวิสิเบลอินวิสิเบลแมน เป็นคนคอยสั่งให้ร่างกายทำอะไรเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับ invisible man ขนาดนั้นเนะะเข้าใจค่ะน้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนร่างกายครับ <Okay. S 2> แต่ก็ดูแลร่างกายให้ดีรักษาร่างกายให้ดี <Okay. S 2> ดูแลน้องักให้น้องอยู่ปลอดภัยนะโอเค ไม่ใช่แชทตี่น้องอนนี้แจทตี้ก็มีน้องแจทตีนี่จำแม่เขาวีน้องจำแม่โอเคนะอย่าลืมนะสองอย่างนี้อาการทาทน่สัยกับเกิดแจ่เกิตายแล้วก็ invisible man กู้แฟร่างกายเป็นร่างกายเป็นเบา ใจเป็นนาย invisible man เป็น master ร่างกายเป็น slave โอเคไปที่คุณแม่จะถามอะไรขอขอบคุณพระอาจารย์ครับโอเคเรียนไปที่คุณสาธารที่ China เรีรับฟังคำค่ะอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะโอเคนะพย า, า, ททานะยามอ่นพิจารณา อันนี้จำบ่อยๆนะไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนค่ะโอเคไปที่คุณนันทพัฒน์น้อหันหน้าไปหน้านี่หัวมากลับต้อวัฒการเจ้าคาา่ะพ่อจารย์พอดีส่วนใหญ่ถ้าไม่มีคำถามลูกฟังที่ Facebook ข้างนอกเจ้ า, า, าค่ะพ่อจารย์พอดีวันนี้มีคำถามนิดนึงเจ้าค่ะพ่อจารย์ ค่ะพอลูกก็ยังไม่ทิ้งการปฏิบัติเจ้าค่ะวันนี้มีคําถามคือพอดีลูกได้มีโอกาสพิจารณาธาตุสี่ขันห้า 5, แล้วก็ความตายเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าจิตเนี่ยเป็น invisible man คืออยู่ในโลกทิพย์แล้วก็กายอยู่ในโลกธาตุใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พอดีลูกพิจารณาต่อถึงเวลาตายอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ถ้าอย่างนั้นเวลาเราตายมันจะไม่ใช่เหมือนที่โบราณบอกว่าจิตออกจากร่างใช่ไหมเจ้าค่ะมันเป็นแค่ disconnect mm hmm. ใช่ที่คอนเนคมันไม่ได้อยู่ในร่างมันคอนเนคด้วยวิญญาณห้าเนี่ยวยิญญาณทางต่างคงจะหมุนดกายวิญญาณห้าเส้นเป็นผู้มารับรับรูบรปเสียงกลิ่นรสผลทพส่งไปให้ใจผู้ื่อรู้ไ<ข>อ้ทีเหมือนกับเหมือนกับผู้ควบคุมยาละอากาศอยู่บนโลกนี้สอนญาณะอากาศอยู่บนโลกพระอันทร์ผู้ควบคุมอยู่บนโลกนี้สั่งให้ยาละอากาศไปสํารวจทําอะไรต่าง ถกิดอเกิดเหตุการณ์ายาอนาุภาศก็ติดต่อกันไม่ได้ก็เริติดต่อกันไปยาอนาุภาศก็กลายเป็นซากไปผู้ควบคุมก็ยังอยู่ต่อไปก็ไปหาไปสร้างยาอนาุภาคอันใหม่ส่งขึ้นไ่ใหม่ อ, อ๋อค่ะเจ้าค่ะเพราะเพราะว่าโวรานจะบอกว่าจิตออกจากร่างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะจาิตเขาไม่รู้ไงเก็พูดโบราณภาษาวเออานขนา ค่ะแต่พอลูกงอพิจารณาตามที่พระอาจารย์สอนมันก็คือแค่กันไม่เชื่อมต่อกันแค่นั้นเองก็เหมือนมือถือสองเครื่องเนี่ยติดต่อกันได้ก็เพราะมีสัญญาณค่ะที่เชื่อมต่อกันใช่ไหมค่ะช่วงไหนสัญญาณไม่มีก็ติดต่อกันไม่ได้ซึ่งซึ่งสัญญาณของของระหว่างโลกกระท่ากับโลกทิพย์ก็คือวิญญาณที่เป็นขันขันชั่วที่เรียกว่าวิญญาณใช่ไหมวิญญาณในขันหนะ้านี่ยอ๋อ แล้วพอจาจักคูวิญญาณสูตรตาวิญญาณอะไรเนี่ยค่ะซึ่งการที่เราซ้อมทำสมาธิมันเหมือนการเหมือนฝึกกับ disconnect ใช่ไหมคะ disconnect เราถอนเราหยุดการการการเชื่อมต่อของวิญญาณกับตาของจมูกนิ้วการไม้เชั่วคขาวเมื่อชั่คขาวอ๋อเพราะฉะนั้นเราถึงต้องซ้อมแบบนี้ไวใช่ไหมจะค่ะก็ไม่ได้ซ้อมนะเพราะว่าเราต้องการที่จะ ส่วนหนึ่งก็คือให้มันสงบไปถ้ามันติดอยู่กับรูเสียงกินแล้วมันก็จะฟุ้งซ่านมันก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้ามันถอนออกปุ๊บไปก็จะเนิ่งสงบเป็นอุเบกขามีความสุขมีความสงบอือเ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะยังยังยังไม่ถึงการปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ค่ะวันนี้ลูกลูกมีคําถามเพียงเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ไปที่หมอแดงนั่นที่นันที่ดาต่อคำรอครั บ, บสะมัศ ก, การเจ้ขาข่าวอาจารย์ก็โยงก็ ป, ปฏิบัติต่อเรื่องเจ้าขาวมีคําถามเล็กน้อยเจ้ขาข่าวอาจารย์คือตอนเ อ, อ่อบางบางครั้งตอนช่วงที่แบบจับลมแล้วลมมันละเอียดนะเจ้ขาข่าอาจารย์มันบางทีมันจะมีความติดอักึ้นใหม่ไงเจ้าข่าวอาจารย์นั้นถ้าไม่ไม่นสนใจมันได้ก็ทําต่อไป <c oughs> ถ้ามันอุดตันมากมามันแสดงกิเล็มันเริ่มมีอาการ ที่จะที่จะสู้กับเรานะสู้กับสติแสดงสติเราอ่อนลงแนละ้วก็าอาจจะใช้คําบริกรรมช่วยแทนก็ได้ถ้าเราเฉยๆมันก็ไม่ได้เจอเราใช้คําบริกรรมเจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่ไปสนใจมันจะปล่อยไหมว่าพิจารณามันเป็นอนาาิจจามันเป็นลานัสตาลาแล้วมไปถ้ารไม้ความสําสคัญกับมันบางทีเดียวมันก็หายไป ถามันไม่หายก็จะต้องใช้คํามือกันก็อย่าหน้าต่ออเจ้าค่ะแล้วก็อีกนิดเดียวเจ้าขาอาจารย์คือเดี๋ยวนี้ก็บางบางครั้งจะมีการนั่งแบบช่วงหลังเหนือหาักเจ้าขาแล้วมันก็จะมีนิวรณ์ควอมบวงเข้ามาแทรกเจ้าขาก็มันก็เป็นเป็นปกติ การภาวนานี่มันจะมีนิวรณ์ห้าชนิดด้วยกันสลับกันเข้ามาคอยขัดขวางการภาวนาของเราเราก็ต้องรู้จักวิธีกำจัดมันง่วงนอนส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันนับแต่ภาวะด้วยถ้าเราเป็นคนทํางานทํางานเยอะร่างกายก็เหนื่อก็เป็นธรรมดแต่บางคนก็ง่วงนอนก็ขี้มากขี้มากเป็นไปแล้วก็ว mm hmm. ุ่นต้องแล้วแต่ภาวะของแต่ละคน ถ้าพูดแบบนักปฏิบัติแล้วก็มันก็ไม่ไม่มีมันไม่ทมาํางานนักปฏิบัติก็จะมีแต่เรื่องการภาวนาอย่างเดียวอคํารง่วงมันก็มักจะเกิดจากการกินนะากะะต็ต้องลดการกินนมและอย่างนี้ก็ถ้ามันอยู่ในที่มันปลอดภัยมันก็ทําให้ง่วงนด้ง่วงง่ายกว่ไม่อยู่ในที่ที่มันไม่ปลอดภัย ที่มันดีนที่มันหวาดเสียวเช่นไปอยู่ในป่าชา้าหรืออะไรเงี้ยโอกาสที่จะม่วงมันก็มีนะครับว่ามันจะมีเรื่องมาคอยกระตุน้นจิตใจให้เติมเงนี้เรื่ยเดิค่ะทีนี้เบื้องต้นคืออาจจะลองลดอาหาร แยกกินน้อยลงอะไรก็แต่เฉพาะบางเับก็มีส่วนนะแต่ถ้าหมอยังต้องทํางานแปดชั่วโมงนี่มันก็อาจจะเหนื่อยได้ง่ายกวคนที่เหนื่อยร่างกายก็อยากจะพักผ่อนพังวอกทำอะไรได้เอดีช่วงหลังนี่ก็นอนน้อยนิดนึงด้วยศาสตราจารย์แล้วก็ปฏิบัติช่วงแบบเออดึกกับตอนช่วงเช้ามืดเนี้ยศาสตาจารย์ก็จะได้นอนประมาณสี่ชั่วโมง คือถ้าเป็นนักปฏิบัติไม่ต้องทํางานเงินละสี่กี่โมงก็พอพร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานไม่ทำเหนื่อยหนื่อยจากการทํางานมีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันมันก็ไม่ได้ใช้งานมากอะแต่ถ้าก็ต้องพิจารณาดูว่ามันเป็นเพราะร่างกายเหนื่อยเมื่อแล้วหรือเปล่าไม่ว่ารับประทานอาหารมากไปไปหรือเปล่า อีกอย่างก็การไม่มีสติมันก็ทําให้ง่วงได้เหมือนกันเจ้าค่ะสังขับอาจารย์อันนี้ก็พยายามดันสติอยู่เจ้าค่ะอาจารย์ก็คือในระหว่างที่เรานั่งเนี่ยเราควรจะเหมือนแบบสํารวจนิวรณ์ว่าเรามีตัวไหนเข้ามาเราก็พยายามแบบลากวางกําจัดมันอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ามันเป็นอุปสรรคก็ต้องหาวิธีแก้ไขไป เนี่ยนปฏิบัติบาทีอยู่บ้านปฏิบัติมันไม่ค่อยคืบหน้ามันเจอนิวรณ์มากกว่าครับบางทีก็ไปอยู่วัดมากไปอยู่ที่แบบเปลี่ยนสถานที่แบบอยู่ที่มันไม่สบายมันอยูบ้านที่มันสบายมันก็ทําให้การอยากนอนมันมันมันมีมากกว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่เราไม่ไม่ไม่เคยชินด้วยที่แปลกใหม่มันก็จะทําให้การรู้สึกอยากนอนมัน มันน้อยนเนาะตอนมันจะมีความหวานเอาไว้ไปอยู่ที่ที่แล้วที่ใหม่เพระดุลยเด่นบางที่าต้องย้ายที่อยู่เลยท่านละนานิาสักพักพอเริ่มเริ่มเชี่อกระฐานที่ลัศฐีไม่ค่อยดีความพี่เกียลจะเริ่มมาแล้วท่านก็ย้ายที่ไที่ใหม่ ที่มาคอยกระตุน่อยกระต้นความเพียรกระตุนสติเจ้าค่ะอาจารย์โตปฏิบัติต่อเจ้าค่ะอาจารย์วันนี้ก็มีเาค่ะขอบคุณไปที่ท่านต่อไปคุณหนิงสุภาพร์กอธรรมกลับนวมบุญสถานอาจารย์เจ้าค่ะเอมีอะไรไหม ค่ะก็ลูกเข้ามาฟังธรรมค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาได้ไปอยู่วัดค่ะภาวนาเสาร์อาทิตย์หนึ่งคืนนะคะเนื่องจากได้กำลังใจจากห้องนี้ค่ะว่าควรที่จะออกไป อ, อ, อยู่วัดบ้าง น, นะคะเพราะลูกปกติจะปฏิบัติที่บ้านเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ก็จะได้เป็นแบบครั้งละชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้เจ้าค่ะ ก็ตั้งใจว่าจะาไปปฏิบัติหาเวลาไปปฏิบัติอะคะ่ะมากขึ้นค่ะเจ้าค่ะก็ควรจะไปวัดที่ให้ก็ให้เราปฏิบัติถ้าไปให้ไปทำกิจกรรมร่วมกันก็จะไม่ค่อยค่อยดีค่ะ ค่ะที่นี่ก็จะมีมีกิจกรรมบ้างเจ้าค่ะแต่ว่าก็อนุญาตให้แบบอีกวิเวกได้ออกไปได้อะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ให้แบบเดินจงกลมได้เจ้าค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ลูกถือสินแปดเจ้าค่ะพรปกติจะได้แค่สินห้าเจ้าค่ะก็อยู่ได้เจ้าค่ะไดต้ตอนแร เราบังทีประมาทตัวเราเองว่าเราทำไม่ได้กิเลสมันอ ค, คอยหลอกเราเรื่อยๆว่าสงสัยจะหิวหรือเปล่าแต่ก็ตัดสินใจว่าจะไปแล้วลงชื่อสมัครไปใช้พื้นที่ที่วัดก็ตัดสินใจว่าจะทําจะขาดก็ผ่านได้เจ้าค่ะทุกครงที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แล้วคนอื่นเขาทำทําไมเขาทาได้เขาก็เป็นคนเหมืนเราเราก็เป็นคนเหมือนเขเราจะ ม, มีอาการสารติดสาเราก็มีอาการสารติดสาวอันนี้ต้องใช้ปัญญามาคอยสู้กับกิเลสที่มันคอยหลอกเรา เจ้าค่ะก็วันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะก็จะปฏิบัติต่ตอไปเจ้ค่ะโอเคดีบรยามทำบ่อยๆทำได้มากแล้วเวลาไปกลับอยู่บ้านนี้เห็นผลต่างไหมเห็นผลต่างเจ้าค่ะคือปกติลูกทำงานใช่ไหมเล้ค่ะจิตมันก็จะไหลแล้วก็ฟุ้งตลอดเจ้าค่ะจะมีเวลาปฏิบัติแค่ตอนเช้ากับเย็นก็ครั้งละประมาณสิบห้านาทีถึง สามสิบนาทีแต่เสาอาทิตย์ก็จะเป็นแบบฟังและหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยเจ้าค่ะเด็ดแต่ถ้าไปปฏิบัติที่วันก็ได้ปฏิบัติมากันหนึ่งชั่วโมงใ้มไหมใช่ค่ะก็จะอยู่ถึงเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นตีสีเจ้าค่ะอา่าค่ะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยนะเจ้าค่ะโอเ ค, อเคถ้าไปได้ไก็ไปบ่อยๆนะพยายามไ ป, ไปเรื่อยๆให้เป็นนะิสัยขึ้วยนะเจ้าค่ะ โ <Okay. S 2> อเคกล่าวสั้นๆเจ้าค่ะไที่คุณหลวสุทธานชนลีกล่าลูกสาวเลยนะเมื่ไหร่ปิดเทอมว่าล้วเนียบยังไม่ปิดเทอมเจ้าค่ะกําลังสอบเจ้าค่กนะกำลังสอบตั้งใจดูหนังสือนะอย่ามาขอพรนะขอพรเรื่องสอบตกถ้าเอาแต่พออย่างเดียวไม่ดูหนังสือก็สอบตกนะค่ะวันนี้จะกราบขอความเมตตาท่านอาจารย์ สั่งสอนลูกหลานวิธี พ, พิจารณาความผัดพลาดเจ้ า, าค่ะก็คนเรามันมันหนึ่งก็ต้องแยกกันอยู่เห็นะ ไ, ไม่ได้อยู่เป็นด้วยกันไปตลอดเห็นคุณแม่คุณแม่เขาเมือ่อก่อนเขาก็เป็นเด็กเหมือนเราใช่หไหมคุณแม่เขาก็มีพ่อแม่ของเขาแต่พอโตขึ้นก็ถึงเวลาก็ต้องจากกันไปบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตายไปอะไรทำนองนี้ ก็อยู่ต่อไปงั้นอย่าไปยืดไปติดกับสิ่งต่างๆคนต่างๆ ต, ต้องสอนใจนะ ว, ว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของยืมเข้ามาเหมือนเราไปยืมของเพื่อนยืมยืมยืมดินสองของเพื่อนมาใช้เขียนเสร็จแล้วก็ต้องคืนมาใช่ไหมไม่ใช่พอได้มาแล้วเราเป็นของเราเลยไปยืดเป็นของเราเลยไม่ไดนะ้คุณแม่ก็ไม่ได้เป็นของเราเนี่ยคุณแม่เขาก็เป็นของดินน้ำลงไฟ ในวันหนึ่งดินหน้าลงไปก็มาขอคืนไปเขาก็ยากเอาคืนไปรู้ก็เหมือนกันหนูร่างกายของหนูก็เป็นนองดินหน้าลงไปฟในวันหนึ่งดินหน้าลงไปก็จะมาเอาคืนไปถ้าเรายอมคืนเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจงร้นเรายืมของเพื่อนมาถ้าเรายอมคืนเ้าเราก็ไม่รู้สึกเสียดายไม่ได้รู้สึกเสียดายแต่ถ้าเราก็ไม่เราไมา่ยอมคืนเท่านี้พรต้องถูกบางครั้งให้คืนมันรู้สึกเสียดายใช่ไเสียใจ นันเป็นเพราะว่าเราไปยึดไปติดว่าเป็นของเราไปถือว่าเป็นของเราถ้าไม่ถือว่าอะไรเป็นของเราเวลาเราเสียไปเราก็จะไม่เสียใจเข้าใจไหมพูดอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจค่ ะ, ะเขาติดคุณแม่บ้านไปเจ้าค่ะต้องต้องต้องต้อแยกกันอยู่ว่าบางทีให้แม่ไปอยู่วัดเราอยู่บ้ า, าเนาเรื่อนการหัดพึ่งตัวเอง เราเป็น แ, แม่ต้องสอนให้ลูกทำเองไงให้ได้ทุกอยาก่างคนแม่ไม่สบายทำอะไรไม่ได้ลูกจะได้ทําเองก็อัตตาหิอัตโนโนาของขุเจ้าสอนตอนเป็นที่พื่งของคนตอนนี้เราหัดทำอะไรได้แล้ว ร, รีบหัดทําเนี่ยแล้วเราจะเก่งขึ้นเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้เวลาที่เกิด เ, เราต้ออยู่คนเดียวเราก็าจะไม่เดือดร้อนมึงข้าวไป็นภาษาจีนีด้เด็ด <c oughs> ยังหมม่วงนักเป็นเจ้าค่ะ<ต>จานอะรทำข้าวหัดทอดไข่ต้มไข่ทำน้ำพริกน้ำพริกน้ําปลานะอะไรไปเรือเอาแต่นาม่าอย่างเดียวยุคนี้น <c oughs> ามา่า <c oughs> และแต่ต้องต้องอยู่เอาตัวรอดให้ได้ถ้าเราเกิดเราเกิดไปเจอเหตุการณ์ที่เราต้องอยู่อยู่คนเดียวขึ้นมาถ้าไปพิ่งคนอื่นเวลาต้องไม่อยู่ก็จะพึ่งไข่ เราไม่มีใครที่เราจะพึ่งได้ตลอดทุกคนก็เป็นของไม่แน่นอนนะครับของชั่วคราวนะคนะัอันนี้อาจจะเลื่อไปหน่อยสาหรับเด็กก็ได้นะถ้าอยากจะรู้ก็นเลยก็ต้องบอกนะเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเราเจ้าค่ะมีอะไรค่อยากจะถามไหอมอาจารย์ไหม ไม่มีเจ้าค่ะไม่มีไม่มีเจ้าค่ะแล้วคืองแต่คิดอย่างนี้แล้วไม่สบายใจขึ้นมาเลยหใช่ปะคิดว่าต้องจากกันคิดบ่อยๆต่อไปก็จะยอมยอมรับเองว่าคนเราต้องจากกันไม่มีใครอยู่ด้วยกัน แ, แต่แต่มองในแง่บวกก็คือเมือ่อเมื่อจากคนนี้เราก็ต้องไปเจอคนใหม่ดีแล้วก็ไปติดคนใหม่ต่อ เดี๋ยวไปเจอแฟงก็ไปติดแฟนแทนยืยแม่ต่อไปอ <laughs> แต่ถ้าจะไม่อยากจะไปติดใครก็เราฝึกนั่งสมาธิให้ติดสมาธิ ด, ดีกว่าสมาธิให้ความสุขกับเรามั่นคงกว่าคนหรือสิ่งตา่างๆถ้าเรานั่งสมาธิเป็นมีความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องไม่ต้องมีใครก็นดะไม่ต้องมีอะไรกันด้ ก็ส่วนบทอิติปิโสได้สวดบทสวดมนต์ไปก่อนได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่สวดมนต์นั่งสวดมนต์ไปนั่งหลับตาสวดมนต์ไปภายในใจการสวดเสร็จก็นั่งดูลงต่อยสักห้านาทีสิบนาทีก็ได้ถูกใจของไม่ยากเราไม่ทํามันเองมันก็เลยกลารเป็นของยากถ้าทํบ้างบ้างมันก็ง่ายมันก็ว่าวนะถ้าเราไม่หัดไหวมันก็ไหวไม่เป็นสักทีนะ แต่พออัดว่าแป๊บเดี๋ยวมันก็เป็นนะมันก็สบายแล้วต่อไปตกน้ําก็ไม่ไม่จมน้ำน ะ, บ, นททะบทคำถามเจ้าค่ทานขจ้าโอเคอ่าทาบถึงขอบพระคุณอยางสูงเจ้าค่ะในสันโดดตอสันโดนโดน้โมอดีตน้าโมปัจจุบันสันโดดอนาคตจะเป็นอะไรก็ไม่รู้พิธีการเนี่ยพิธีา <c oughs> ตอนนี้ก็ความเพียรต่อเนื่องครับแล้วก็อ่าพอดีคุณแม่ครับ ต้องสอนทุกวันพุธผมก็จะมีปัญหากับการเข้าสูงเพะว่าต้องเข้าในรถอันนี้ก็รีบคุณแม่ก็รีบพากลับบ้านมาพอเข้าสูงพระอาจารย์เสร็จปุ๊บ ก, ก็เฮ้ยพระอาจารย์ยังไม่เรียกผมก็รีบขึ้นมาหายายที่ห้องนอนปิดทีวีวางโทรศัพท์แล้วก็ให้ยายฟังพระอาจารย์เ่ยยังไม่ได้ตกลงกันเลยว่าวันนี้จะฟังไหมยังไม่ได้ตกลงเลยครับพระอาจารย์วิ่งขึ้นมาปิด <c oughs> <c oughs> มีคุณยายแล้วก็เปิดมัจจารับแล้วคุณยายไม่ไม่ว่าแล้วทาอะไรไม่ขอไม่ญาตคุณยายก่อนคุณยายงงครับว่าผมทำอะไรแล้วพอเห็นมัจจาร์ยายก็อ๋อทำาร์ด้วยค่ะจ้าเจริญพรคุณยายสบายดีนะอก็ดีขึ้นเลยค่ะยองโอเคถ้าอยู่ด้วยเฉยไม่รู้จะทำอะไรก็สวดมนต์ไปพุทโธไปก็ได้นะทำใจให้สมงอ อย่าคิดมากอยคิดมากคิดมากแล้วมันพุ่ง้ายเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดอะไรแล้วใชัไหมใช่ทำใจให้ว่าทำใจให้สนองด้จะมีความสุขโอเคมีการบ้านมีอะไรบ้างโอการบ้านที่ว่าอาจารย์ให้มาเพียบเลยครับก็ต้องปฏิบัติแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่ อาจารย์มอบหมายการบ้านอะไรมาให้มันจะมีเรื่องมาให้ได้ฝึกตลอดเลยครับอาจารย์ทั้งเรื่องอุเบกขาอาการทางสองมาหมดเลยครับแล้ก็เมื่อมกี่วันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับแม็กแล้วแล้วแม็กก็ฝากความระลึกถึงพระอาจารย์ครับผมแล้วก็ก็ถามว่ายังพิจรารณาครงกระดูกเร่องที่พระอาจารย์สุชาติสอนไว้ผมก็บอกโอ้ยแม็ก ตกข่าวแล้วตอนนี้ท่านให้พิจารณาอาการสามสิบสองแล้วครับบอกแม็กอยู่ไปอยู่ที่ไหนมาตกข่าวแล้ว <c oughs> <c oughs> อาจารย์แล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ที่โรงเรียนแล้วว่าเอคนเจอผมก็จะมีสองบทสวดที่จะได้ยินผมพึพรรมพำตอนว่างก็คืออิติปิโสกับอาการสามสิบสองครับอาจารย์ก็จะมีสองบทนี้ที่จะสวดพึพรรมพำเกือบตลอดเวลาครับ ับเคดีอย่าลืมนะมองใครนะให้นึกถึงอาการหายใจขทุกบ้านนะกำลังกำลังมองโคกระดูกแล้วลองจับใจหวัวใจปล่อยครับอาจารย์แล้วก็วันนี้ในวิชาภาษาไทยครับอาจารย์คุณครูคก็มีเขียนอยู่บนกระดานอะไรหัวใจนักป่าแล้วมันก็เป็นรูปหัวใจแล้วมันจะมีสี่คำเขียนอยู่ในนั้นมีคำว่าอะไรอ่ะมีคำว่า อ่ามีคำว่าสุดจิปุลิอย่างเงี้ยครับอาจารย์ผมก็ถามคุณว่าสุดจิปุลิคืออะไรคุณปูก็บอกอ๋อสุดก็คือสุดตรึก็คือการได้ฟังอ่ะจิก็คือจิตตรกก็คือการเอามานั่งคิดปุลก็คือการปุชาก็คือการตั้งคําถามแล้วก็ลิก็คือลิขิตก็คือเขียนผมก็ถามอ่ะแล้วมันคืออะไรหัวใจนักป่าที่ปูพูดปูเขาก็อธิบายแล้วตอนที่ปูอธิบายมันเหมือนคลิก ในทางในสิ่งที่พระอาจารย์สอนนะครับก็คือในเรื่องของการเดินปัญญาก็คือเมื่อเราได้ยินได้รับฟังได้อ่านข้อธรรมหรืออะไรอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเอามาคิดพิจารณาก็คื อ, อ, อจิตตะและคราวนี้เราก็ต้องมาปุูชาเอาไปใช้เวลาเกิดกิเลสก็เอาไปเอาไปใช้ดับกิเลสต่อไปก็ลิคิดก็คือการนำไปแอปพลายหรือว่า กับในในบริบทของอ่าชีวิตที่เจอเนี่ยครับรอาจารย์ใช่ทำง่ายไปใช้กับกี่เลยเลาเกิดความรักก็ต้องหยุดมันด้วยปัญญาครับอาจารย์แล้วก็อมีพี่เจ้าหน้าทีที่โรงเรียนนะครับวันนี้สนทนากันยังไงไม่รู้สนทนากันตอนแรกเขาก็ถามเอออะไยังไงทําไมสนใจพระพุทธศาสนาคราวนี้เขาก็เห็น ผมก็บอกเออเนี่ยผมก็มาศึกษาทางธรรมแล้วก็ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทุกๆพระองค์ก็สอนเหมือนกันเขาก็บอกฮะพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์เหรอผมก็บอกออมีหลายพระองค์ครับพี่คือแต่แต่มาคนละพิเรียดแค่นั้นคือมีหลายพระองค์มากมียี่ ก, กว่าพระองค์ครับผมก็บอกพี่เข้าไปมีเยอะมากเลยจนถึงองค์ปัจจุบันพระสมณโคดมก็เล่าให้าฟังเขาก็แบบ Oh, ไม่เคยรู้มาก่อนเลยคราวนี้เขาก็ถามผมคีคีหลักสำคัญของแบบพุทธศาสนาเืออะไรผมก็บอกเะไรลยว่าสมหรับบรินเนอร์เลยที่พระอาจารย์สุชาติสอนผมก็คือให้มีสติ mm hmm. <laughs> ซึ่งการจะมีสติเราก็ต้องพุโทโธอะไรย่านผมก็เล่าไปแล้วก็ไล่ไปถึงอะไรสติวัฏฐานสติวัฏฐานสี่อะคับพระอาจารย์ mm hmm. กายเวทธรรมผมก็เล่าเขาฟังว่าเนี่ยพระอาจารย์สอนผมมาว่า ให้มีสติที่กายก่อนเสร็จแล้วก็ให้คอยดูอารมณ์และรักษามันให้เป็นกลางคราวนี้เราพร้อมถ้ามีอารมณ์อะไรมากระทบแล้วเราไปตามกุศลหรืออกุศลก็ให้มานั่งคิดใครควรว่าด้วยเหตุอะไรเพราะอะไรแล้วทํำยังไงมันถึงจะหายไปได้ก็คิดเรื่อยๆแล้วข้อทําเวลามีข้อทําอะไรมาเราก็จะคอย คิดใครควรพิจารณาเขาแบบโอ้โหแบบยกมือไหว้ยกมือไหว้เดียเดี๋ยวนีว้น้ำมูเต็มคอนเทน์ได้นะครับผมก็มงงเนที่ตรงนั้นคือแบบยกมือไหว้ผมแบบโอ้ยรับไหว้ไปท่านอ๋อครับอาจารย์แล้วก็วันนี้ที่มีอารมณ์อะไรมากระทบอย่างเงี้ยครับอาจารย <laughs> ์เพื่อนแกลงเงี้ยซึ่งมีทุกวันเลยเพื่อนแกลงเราก็จะ ได้บ้างอยู่ไม่ได้บ้างคราวนี้อ้าอยู่ไม่ได้เราก็จะดับเลยอะครับอาจารย์มันจะเห็นการเกิดแล้วมันจะเห็นการดับพอเราเห็นการดับอย่างเงี้ยครับแล้ว mm hmm. บางที่มเกิดไปแล้วเราก็จะมานั่งไคร่คว้ต่อหลังจากนั้นว่าเอ๊ะทาไมมันถึงเกิดทําไมทําไมเราถึงเออเขาพูดแค่นี้เขาทําเราแค่นี้ทําไมเราต้องไปอาฆาตโกรธ ด, ดูว่าเขาอะไรดูถูกเขาเงี้ยครับอาจารย์ mm hmm. ใช่ครับอาจารย์ก็มันก็จะทําให้เราแบบโ ไม่ไม่ไหวว่ะนี่ใส่เรามันนี่ใส่เรามันร้อนจังเลยพุทธเถอไปไหนเรายังมีเรายังมีความรักชังอยู่ครับพระอาจารย์ก็ถ้ามันถ้ามันสามารถดับได้เลยก็ดับเลยค่ะพอจาจารย์จะ่ถ้าบางแับเฮ้ยมันมันดับไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยเริ่มเริ่ ม, ม, มคิดตำหนิเขาละเราก็พุทธเถอพุทธเถอได้เก่ง<ๆ>มากเก่งมากปฏิบัติธรรมไปนี่คือการปฏิบัติธรรม โดยธรรมชาติไม่ต้องไปอยู่ที่สถานที่ปฏิบับติธรรมเจออะไ ร, รที่ไหนก็สามารถพิจารณาให้เป็นธรรมได้หมดครับอาจาร<ด>รูปเงกิ่นรสไปนานาตาไปให้หมดเราไปควบคุมบันคับเขาไม่ได้ครับอาจารย์ก็ทุกครั้งที่เวลามีความเจ็บปวดเนี้ยครับอาจารย์ก็จะกำหนดรู้ทุกแล้วก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะที่เรา มีทุกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็นั่งคิดไปแล้วสุดท้ายมันก็จบที่การที่ว่าเรามีร่างกายเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมก็จะคิดในใจเวลามีความเจ็บปวดว่าเพราะมันมีร่างกายมันเลยเจ็บเพราะนั้นเราก็ไม่ควรมีร่างกายอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็<ช> <ๆ S 2> วันจะมาถึงนี้ก็คือวันที่หกมีนานครับอาจารย<ม>์เราก็ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะปกติทุกปีวันเกิดเราจะแบบโอ้ยวันเกิดแล้วพ่อแบบแม่จะซื้ออะไรให้อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้เราก็คือแบบ โอ้ยเสียดายไม่น่าเกิไม่อยากเกิดน ะ, ะอาจารย์อยากอมตะ น, นะอาจารย์อาจารย์ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคสาธุสาธุาาอบพระคุณครับอาจารย์ น, นะนั่งสมาธิด้วยนะอย่าอย่าทิ้งสมาธินะไม่ไม่ทิ้งสมาธิแนะ่นอนครับอาจารย์นั่งทั้งวันนะต้องนัทุกวันตับทุกวันครับอาจารย์ยกเว้นวันนี้บ้างหลับเลยหลับเลยไม่ต้ แล้วก็ยังนอนพื้นอยู่เกือบทุกวันครับมีวันมานี้ที่กลับขึ้นมานอนเตียงเพราะว่านอนพื้นเอวหลังปวดปวดล้าวไปมดนะครับอาจย์กำหนดไม่ไหวครับรอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวจะกลับไปนอนพื้นแล้วครับผมสิปตาให้มากกว่าศีลห้าให้ได้ครับผมพระเจ้าเด้งดีมากนะครับคุณยายสบายนะหายเจ็บไข้จะป่วเร็วๆนะสาธุ ไปที่บุนจุกโกเบย์ญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นนี่ก็เกือบสองยาแล้วนะเกืบลยนะแล้วค่ะเกือบปีหนึ่งแล้วปีนึ่งตอนนี้ถ้าทุ่งค่ะถาทุ่มาถึงค่ะวันนี้มีคําถามคับพระอาจารย์ก็คือด้วยที่หนูทํางานที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมันจะมีโอกาสที่จะเจอคือสองมาตรฐานจากจากคนที่ทํางานนะคะพระอาจารย์แต่ว่า คือตอนที่เจอเจออย่างนี้ค่ะบางทีใจเรามันก็จะรู้สึกแบบเสียใจเสียใจนะคะแต่ก็มีสติอยู่นะคะว่าเออเกิดเป็นเพราะว่าเรามีมีความมีความรู้สึกว่าเรามีอัตราตัวตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกเสียใจวันนี้ก็เลยมาขออุบายลดอัตราตัวตนของตัวเองจากข้ า, าจานะคะคือเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องยอมรับกับความจริงของเขานีตเอาเป็นอย่างนี้ขเขาก็มีสอน เงอนมาตรฐานเราจะไปมันก็บเขาเป็นกล้วยเราจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นส้มไม่ได้เห็นไหมงัม้นไปอยู่ที่ไห น, นเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับความเป็นปจริงกันนั้นไปไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่โทษของเราอืมค่ะพระอาจารย์บางทีหนูหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าบางทีเราไม่ได้วันไหนที่เราหยุดงานเนี่ยเราจะรู้สึกดีมากแต่ถ้าวันไหนที่เราไปทํางานแล้วเราเจอแบบเนี้ยคะ่ะ แล้วมันจะเรามันจะทําให้เราดิ่งเราเศร้าไปทั้งวันเลยก็มีอะคะ่ะหนูนก็ไปต่อต้านเราไปต่อต้านเขาไม่อยากไปต่อต้านรับนี่นะยอมรับเขายอมรับ ว, ว่าเขาเป็นอย่างนี้แลหละอืมค่ะแต่มีเราไม่มีเราเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่คนอื่นคนอื่นมาเขาคนอื่นมาก็จะเจอแบบเดียวกับเจอเราเจอเพราะมันเป็นอย่างนี้มันเรื่องมันเป็นอย่างนี้หนูจะพยายาม มีสติมันอย่างอื่นเรก็รับได้เวลายิบมันหนาวเรายัางรับได้ไม่ใช่หรอใช่แล้วทำไมเขามีสองสองมาตรฐานแล้วทําไมเรารับไม่ได้เพราะเราอยากจะให้เป็นอยากจะให้เขารับรับเรามาตรฐานเดียวกับเขาไงใช่ไหมอันนี้ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราความอยากค่ะ recreate. ขอบแล้ว ตอนนี้หนูปฏิบัติหนูก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันนะคะพระอาจารย์อย่างคราวก่อนที่หนูหนูมีปัญหาถามพระอาจารย์ว่าอยู่ดีๆหนูปฏิบัติแล้วก็ใจมันก็คิดไม่ดีขึ้นมาเรียกเอใครบางคนว่าอ้าอะไรเงี้ขึ้นมาตอนนี้มันหายไปแล้วค่ะพระอาจารย์คือใช้พุทโธไม่อยู่ก็จริงแต่ว่าพอมันเริ่มจะขึ้นมาพุทโธไม่อยู่น ห, หนูหนูรู้ทันหนูก็ใช้สวดมนต์สวดมนต์แท น, นะค่ะแล้วมันก็หายไปจริงๆริะคะพระอาจารย์ ทุคกครมันโผล่ขึ้นมาก็สวดไปเรื่อยๆต่อมามันก็ไม่ขึ้นมาโดยสอนใจไปในตัวเราอย่คิดอย่างนี้คี่ไปทํามอะไรทำนองนี้ก็ช่วยได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งคือหนูอยากจะถามพระอาจารย์ะค่ะการนั่งสมาธิค่ะเหมือนหนูไปฟังจากที่ไหนมาสักที่ค่ะเขาบอกว่าการนั่งสมาธิให้มีประสิทธิภาพนี่คือควรมีจิตที่เป็นกลางจิตที่เป็นกลางนี่คือเป็นทํำยังไงอะคะก็ะต้องมีสมาธิมันนึงเป็นกลางได้ <laughs> อุเบกขาไงอุเบกขามันเป็นผลจากสมาธินการเปการเข้ามายถึงว่าเวลานั่งสมาธิอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตอย่าไปคิดถึงเรื่องาดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคตเช่นนั่งแล้วอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเวลานั่งค่ามีอยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วดูลมอย่างเดียวไปไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทลายทงปวงอนี้ก็เรียกว่าเป็นการค่ะ เดี๋ยวจะพยายามปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะคะย่าสาธุค่ะแล้วมาเล่าให้ฟังใหม่นะเป็นยังไงบ้างค่ะขอบพะคุณค่ะอ่าไปที่อาจารย์คงพิรายเชิญอาจารย์ุรมวิาการพระอาจารย์ค่ะอปยังไงคุณนุกุลยังไม่นอนเลยถึนอนนะคืนนี้ยังรวันนี้กรรมวการพระอาจารย์ครับามเลนกเลย วันนี้มาสายหน่อยค่ะอ่าคาสายหน่อยคมาช้าหน่อยคิวระยะรอรอเด็กเกเลค่ะรอเด็กเกเรไปหาหมอค่ะอ่ากลับมาสาานะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปบาทค่ะโอเคก็อว่าวันนี้ยังไม่มีคาถามดีกว่าค่ะนะคะจโอเค กรตกก็ต้องไปใส่ใส่ที่แถวหน้าวัดตรงตรงสามแยกเพราเดีนี้เราแบ่งเป็นช่วงๆเราไม่ได้เดินตลอดสายแล้วเพราะมันเจ็บหล้วนะแล้วให้ไปตรงไหนคะก็เห็นเคยใส่อยู่แถวหน้าวัดตรงนั้นไม่ใช่ตรงสามแยกใช่ค่ะตรงหน้าตลาดอ่ะทางนั้นเราเดินมาเร็วเป็นช่วงสุดท้ายอ๋อตรงนั้นเดินนะคะอย่างนั้นไปใส่เหมือนเดิมค่ะที่เดิมค่ะที่หน้าตลาดกันโอเค ยังเดี๋ไม่เจอนะยันนี้ไม่เจ อ, เจ อ, อตามเขาไปขไ้างนีนไปข้างใ<อ>นด้วยค่ะเดินไปสักพักก็ต้องต้องต้องมันเมื่อยเมืยมากมาก็แล้วก็ขึ้มันขึ้นมานั่งบนต้นสักพักหนึ่งก็ท่านาทีมันก็เบาเอย่างโบเพือ<ด>่อกนเก่งเนะคะเพราะว่าสังขารเราเองก็แบบพุ่งไปหาหมอเมื่อวานแย่เหมือนกันค่ะสังขารมันก็เอาไม่ค่อยอยู่ยันี้มันเดินยาวๆไม่ได้นะเดินยาวๆสักพักต้องต้องยืดเส้นยืดสายต้องต้องดัน ต้องยืนกลมหลังอะไรค่ะก็งานช่วงตรงกลางก็ไม่เดินใช่ไหมคะตรงกลางก็ะ<ๆ>ระยะยาวเหมือนกันคือช่วงนราจะเดินประมาณสักร้อยเมแล้วก็ออกปากซอยพอพ้นจากปากซอยเข้ามาสักหน่อยคนหมวดก็ก็ขึ้นคนก็ไปเริ่มต่อที่สะพานหัวสะพานหัวสะพานหัวสะพาน ไ, ไปถึงไปถึงรล้วปีชาเลยช่วงนั้นจะยาวย อ๋อใช่ยาวผ่านโรงแรมไปใช่ไหมผ่านโรงแรมแล้วไปถ็งปีชาเสรแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็ไปลงที่สามแยกหน้าวัดนะะเดินช่งสุดท้ายแต่แต่ว่าใส่ตรงหน้าหน้าหน้าวัดตรงที่เป็นหน้าตลาดได้ใช่ไหมได้ช่วงนั้นได้ช่วงสุดท้ายเดินช่วงสุดท้ายไปนี่อันนี้ประกาศไว้าเปญาติโยมแฟนคลับก็ได้บางคนบางคนเสียใจไม่ไปไม่ไม่เจออาจารย์อาจารย์อยู่บนรถเช่ไหม มรุ่งี้เบียกัเดือนทัว่าจะไปด้วยอะค่ะอ่ก็เลยต้องบอกให้ทราบใครติดตามดูได้ด้วยจังหวัดแต่บางวันที่คนเยอะๆแฟนคับเยอะก็บางทีก็ทนเดินตลอดสายชิมวันพระวันพระนี่ต้องผลเดินตลอดสายไปเดินไปก็ดัดหลังไปวันพระคนคนเยอะเห็นนไหมเดี๋ยวันวันพระบางปีวันอาทิตย์คนก็เยอะบางทีแต่ถ้าวันธรรมดาคนน้อยหน่อยก็เลยเดยแบ่งได้น หกโมงครึ่งเองพอทันใช่ไหมคะทันเดีนี้ก็้นไดประมาณเริ่มเลยขึ้นอาจจะในนี้ได้รประมาณหกโมงยี่สิบออเริ่มลงจากรถน่ะเ่รอฮะเริ่มจากรถประมาณหกโมงยี่สิบแล้วก็ไปเสร็จก็มาเกิดเกิดโมงเชา้าโมงกว่าเ็ดอ๋ อ, อย่างนั้นถึงถึงตรงนั้นก็ประมาณหกโมงสี่สิบห้าคือได้มไม่ต้องขับซิ่งมาโ อ, อเคไปสบายๆดีค่ะไปให้ถึงดีกค่ะไปนะก็ขับไปเรื่อยๆ โอเคแล้วงั้นการมาสกรกับมาสการถึงคุณหมอภาชนาเชิญพอทำหมอต่นมาสการกับอาจารย์ก็ไม่ไม่มีญะไฉาบเพราะว่าตอนนี้ก็รักษาใจของตัวเองอย่างเดียวค่ะอาจารย์ก็ดีับมองเห็นมันเห็นแบบว่าเหมือนกับเห็นสมมุติกับความจริงก็เลยมันเลยมันเลยยังไม่ได้เกิดอารมณ์อะไรคย่างคะอาจารย์รักษาสสงบได้ค่ะอาจารย์ก็ยังลืมสมมุติก <PPE> ับนึ่งดูภาพจริงไดเลย ก้อดินน้ำลมไฟนั้นก้อนดินน้าลงไฟไปยืดไปติดไปรักไปชันไปทะเลาันตรีกันอะไรกันทําสงครามว่าก้อนดินน้าลมไฟ่นะแล้วมีใครเอาอะไรไปได้ไม่มีใครเอาไปได้ทุกคนใช่ใช่ใช่ก็เห็นโรคนี้เหมือนกับแบบเออเป็นไฟจริงๆนะแม่เหมือนกับว่าอไฟกำลังลุกในบ้านเราต้องพยายามทําที่มองที่ตัวเองเลยอาจารย์ดับไฟตัวเองอย่างเดียว ดีที่ตอนนี้แบบว่สงบมากค่ะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้ไม่ได้ไปเขาชีโ อ, อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไปที่เลยนะคะพระอาจารย์จะได้ไปขอพระอาจารย์อยู่ตอนเข้าพ ร, รรษาเดือนหนึงด้วยะคะ่ะได้ดีจำพรรษาอยู่ยาวเลยทีนี <c oughs> น้ตอนนี้ขออยู่เดือนหนึ่งก่อนแล้วพะ อ, อาจารย์ <Okay. S 2> ที่บอกพระอาจารย์แต่ว่าแต่ว่าคราวนี้คราวนี้ไปขออนุญาตก่อนนะคะไม่อยู่ยังไม่ถึงเดือนนะคะต้องไปอยู่ตอนเข้าพรรษาใช่ไปไปบอกท่านโรงงานก่อต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้ไม่มี มันไม่เข้าถึงจะไม่ไม่กระทบแบบอาจารย์ไม่ว่าเหตุการอะไรรู้สึกดีตล อ, อดอาจารย์เลยจริงแลดีมากเลยค่ะอาจจะยังไม่มีข้อสอบแบให้เราทำไม่ได้อาจารย์ น, นี่ค่ะไอโฟนโดนขโมยค่ะไอโฟนสิบามโดนขโมยก็รู้สึกเลยว่าเออยยังโชคดีนะเขาไม่ได้ทําร้ายแค่แค่ของหายแล้วก็ลลปไปแลู้กก็สา์ไปแจ้งความเพร า, าก็คงกลัวแม่ว่ายค่ะแต่แม่บอกเอ้ยไม่ตัวเองไม่เป็นไรก็ดีแล้วแต่ลูกเขาแบบว่าคือวิ่ี่นเขามงกุดเนี่ยแล้วขโมยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาขอโทรศัพท์ ว่าจะไปโทรหาแม่รอแบบลูกก็เลยยืน่นเพราด้วยความใจดียืนย่นแล้วก็ให้โทรหนีไเลยตํารวจ ก, ก็จะบอกเนี่คุณแม่สารลูกยังไงบอกอ๋อเขาบอกคงสงสัยผกอยแล้วก็ตำรวจเขาว่าใจดีมากนะคะสอนนพยาชัย่ะคือมันได้พระอาจารย์สามวันได้โทรศัพท์คืนงงมากเลยอดี๋ยวนี้เขามีวิธีของ Apple เราสามารถเสริรได้เขาไป่ที่ลูกเขาก็ดูว่ามันอยู่ตรงไหนขึ้นตรงไหน<อ>แล้วก็ของตัวเองก็โทรศัพท์ก็มีปลายเสียอะไรเงี้ยคือแบบ มีเหตุการณ์นะพระอาจารย์แต่ว่ามันมันสงบอะพระอาจารย์เพราะว่ามันดูชิจาาจารย์มันเห็นว่าผมวุ่นไปเลยมันไม่มีอะไรจริงมาดูไปเรื่อยๆยังอาจจะไม่เจอข้อสอบแรงๆเต็มที่ก็ได้ค่ะาอาจารย์ยามตั้งใจทําเลยพระอาจารย์ไปเจอข้ออยู่ได้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเกิดไปเจอมาแรงสักก้อนหนึงดูนั้นค่ะเดีจะเป็นยังไงแต่แต่จริงๆกาตายก็ไม่กลัวพรอาจารย์ ไม่เจ๊งหรอกร่างกายม่เจ๊งหรอกพอไม่ตายเนี่ยมันมันจะเจ็บมันจะเจ้ามาเลยแต่เวทนาก็เตรียมตัวไว้ข้างหน้าแก่แก่เจ็บตายเนี่ยมันก็สอบที่เราจะต้องเจอกันทุกคนแต่เวทนาของของการนั่งนี่ผ่านได้นะไม่มีปัญหาเวทเาดีทำผ่านได้ก็ดีโอเคเห็นไปที่คุณมานิกาดาราที่ว่า การนมัสการเจ้าข่าพเจ้าแล้วก็การปฏิบัติเจ้าข้าพเจา้กกก า, จาก็คือมีพอเข้าสมาธิแล้วก็จะเห็นกระดูกกระดูกน้าแค่ครั้งที่ว่าไม่ไม่ได้จดจงว่าจะให้เห็นแต่ว่าก็พิพจารณาก็ดูก็เฉยเฉยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็หายไปแบบนี้มันถูกต้องมไหมะพระอาจารย์การที่เห็นแบบนี้คือเวลานั่งสมาธิถ้าเห็นไม่ไม่ไม่ควรไปสนใจนะเพราะเราต้องการความว่างมากกว่า แล้วการทําใจให้เน่งให้สงบให้หวา่างไม่ใช่เวลาที่จะเห็นกระดุนเห็นกระดูกเราออกจากสมาธิก่อนแล้วมันนึกในใจเราก็ได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆก็ได้กองกระดูกแต่เวลานั่นที่เราต้องการทําใจให้นิ่งให้หวา่างให้สบงบเจ้าขะอาจารย์นอกจากว่าถ้าเห็นกองกระดูกแล้วเราเราดูกองกระดูกแล้วกระทั่งมันหายไปแล้วทําใจว่างใ่งสงบก็ได้เหมือนกัน ถ้าเราไม่ไปปรุงถ้าไม่ไปปรุงแต่งมันมันเห็นแค่นิดเดียวแล้วค่อาจารย์ก็คือเห็นเฉพาะตรงหน้าแข้งทางด้านทางด้านซ้ายแข้งเดียวก็เห็นแย่าไปสนใจมันถ้ากลมากลับมาดูลงเมื่อทําภาวนาเราต่อที่าต่อจากนั้นการขอโทษครับอาจารย์แต่พอพอพิจารณาแล้วถ้าลูกจะไปตั้งอยู่ที่เหนือสะดือแล้วก็ ลูกพิจารณ์ลูก็พิจารณาไปพิจารณาไปมันมันกานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาพิจารณาปต้องการหยุดพิจารณาต้องการหยุดความคิดถ้าพิจารณามันก็ไม่เนื่มันก็เข้าฌานไม่ได้เข้าฌานต้องไม่คิดไม่พิจารณาให้รู้เฉยๆแ้่พิจารณาไปทําตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิได้ตอนเนี้พิจารณาได้พิจารณาให้เต็มที่เลยเนี่ยคนในเ้องนี้มีแต่โคมประดุกนั่นแหะ อ า, าจารม์นะเจ้าข า, ขาอาจารย์เดี๋ยวมันก็ไปก้าวหน้าทีนักสมาธิทีไรก็ไปพิจารณาทุกทีมันก็ปัญญาก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ได้แต่ความคิดเจ้าโอเคน ะ, ะต้องแยกนะปัญญาและสมาธิไม่ได้ทําพร้อมกันถ้าทําสมาธิก็ต้องไม่คิดไม่พิจารณา ถ้าอยาพิจญาก็อยาอยากไปนั่งสมาธิอยากไปยืนเนี่ยอไปทำในขณะทำสมาธิอาจารย์ตุ๊กจ้โอเคใครที่คุณออมต่อออมบอกวินชนบไปอาไงมาอยู่วัดได้หรอยังถึงเวลาถึงคิวยังถึงคิวแล้วค่ะวันศุกร์นี้ค่ะพระอาจารย์สองคืนค่ะอรุณสวัสด มีมีบททดสอบออที่จะเล่าให้พ่ออาจารย์ฟังค่ะพอดีอาทิตย์ที่แล้วแฟนไปทำงานต่างประเทศแล้วออพอเขากลับมาอ้อมเอาเสื้อผืนยาวเขาไปซักซึ่งมีพาสปอร์ตเขาอยู่แล้วทีเนี้ยพอเขาหาพาสปอร์ตแล้วเจอว่ามันเปียกมันเปียกน้ำก็ก็ก็รู้ทั้งสองคนก็ไม่คุยอะไรกันต่อ ก็ก็คือจบการสนทนาคือถ้าเป็นแต่ก่อนน่าจะไม่ใช่แบบนี้อะค่ะพ่อจานก็จะมีแต่ก่อนมีสติย่ำย่างอารมณ์มาค่ะก็ไม่มีใครตําหนิใครนะคะก็ก็ก็ได้แต่คิดไว้ในใจว่าเออทําไมของสําคัญไม่แยกกอกไว้อะไรเงี้ยแต่แต่ก็ไม่พูดออกมานะคะคือออมก็ไม่พูดออกมาเขาก็ไม่พูดอะไรก็แล้วทีเนี้ยเราก็คุยกันเรื่องอื่นปกติก็คือก็จบสนทนาไปเลย ก็ดีมันจะได้สอบผ่า น, นสอบผ่านไม่ทะเลาะกันไม่โทษกันไม่โทษกันว่าเขาว่าเราค่ะ ก, ก็ก็เพราะธรรมะพระอาจารย์นี่แหละค่ะที่ฟังมาทุกวันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองคนนะค่ะพระอาจารย์โอเคดีมากดีใจที่ได้ยิน ค, <c oughs> ค่ะก็พอแบบ เออตอนเย็นมาคุยกันก็เออเนี่ยเราเราผ่านเหตุการณ์นี้มาได้แตกเนาะปกติมันไม่น่าจะมันต้องมีเรื่องกันปกติค <laughs> ่ะค่ะก็ก็ถือว่าก็เป็นบททดสอบที่ที่ดีค่ะครับผมระงับมาลง้าได้ค่ะคือเหมือนต่างคนต่างต่างระงับได้อะคะอ่ะค่ะ ก็ก็ให้เครดิตพระเจ้าเลยอ๋อให้พระพุทธเจ้าดีกว่าเราบป็นเพียงแต่เป็นบุรุษประเสริฐเอาเอาคําสอนของพระเจ้ามาฝากมาสอนให้ค่ะไม่พระเจ้าพวกเราทําอย่างนี้กันไม่ได้หรอกใไหมทุครั้งเนี่ยถ้าเราทําอะไรได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติเนี้ยให้เน้ถึงพระพุทธเจ้านียค่ะแต่พระอาจารย์ก็เอามาถ่ายทอดให้ เราเป็นบุรุษแฟชั่นีไงเอาถุนมานจากพระเจ้ามามามส่งให้คอรัทำต่อไปนะทําให้มากขึ้นทําให้ยิ่งขึ้นต่อไปจะเจอข้อสอบหนักกว่านี้ได้นี่คือพาสปอร์ตอย่างเดียวค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะถึบคุณเอกแตงเชียงรายเชิญ การพักการพักการครับผมก็ปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์ครับเอาไม่ยังในสัตวเชียอยู่วันพระกันในสัตว์เชียอยู่อ๋อในสัตว์เชีไม่ไม่ได้ทํามาครับอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งใจว่าเข้าวรรษาก็จะเริ่มใหม่ครับเริ่มเริ่มสามเดือนนะครับอาจารย์ครับทาทุกวันเลยนะสามเดือนนี่เฉพาะวันพระ ช่วงวันพักสามเดือนอ๋อช่วงวันพักหลับช่วงวันพอดีทจริงช่วงมันพักก็แค่สิบสองวันเองนะพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูอาจจะเพิ่มอยู่ก็ได้ครับอาจารย์พรอมได้แล้วอันนี้อย่ามาอยากสนใจครับพูดขอเราเราพูดเรืแล้แต่เราอันนี้เราต้องเราต้องรู้กำลังของเราจำอย่าบ้าอย่าบ้าอย่าบ้าเดี๋ยวขอครับอาจารย์เพราะว่าบางทีบางทีบางวันผมทํำที่นี้มันวางทีมันหลับครับอาจารย์ผมก็ว่า มันหลับแล้วเราได้อะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็โหนคิดอยู่นะครับอาจารย์ถือหลับก็ได้หลับก็ได้หลับก็ได้หลับตัวมันได้มันได้หลับแต่มันไม่ได้สมาธิเองครับอาจารย์มันสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันมันได้สติมันอยู่ได้แบบหลังอย่างนั้นมันบูกครับอาจารย์บุกเอถ้าบูกก็กลับมาใหม่เงี้ยครับอาจารย์เท่าบุกมา่าถ้านั่งไม่ได้ก็ลงนอนพักพักก็ได้ปะให้มันพักของมันมันอาจจะไม่ไหวก็ให้มันนอนมากๆได้แค่สูง ก็ก็บางวันก so kind of so ็บางวันถ้าเกิดสติมันดีมันมันอยู่ได้ครับอาจารย์กลางวันกลางวันบางทีไปทํางานทําอะไรเงี้ยมันก็ไม่ง่วงเพราะมีสติอยู่ครับอาจารย์หรือไม่รู้สึกง่วงก็ก็ดีอยู่เหมือนกันครับอาจารย์ครับเด็กเก็ตั้งใจไว้ไว้อยู่ครับว่าเดี๋ยวหรือว่าจะทําอยู่ค้างในช่วงเข้าวรรษาครับอาจารย์มันจะสติได้ตลอดเวลาเข้าพรรษาแล้วพรรษาแล้วต้องฝึกไม่ได้นะคตัครับผมเพราะ ก็ อ, อย่างอย่างทุกวันนี้แบบว่าถ้าเกิดเดินไปเงี้ยมันจะพูดโธไปเองนะพระอาจารย์เยท้าเท้า <vem> ย่ามันก็จะพูดโธพุทโธไปแล้ได้เือเดินเดินจงกงไปครับมันก็จะพูดโธพุทโธไปก็ความสติไปครับนี่ครับให้จิตอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันลอยไปานานาคนครับผมช่วงนี้ปฏิบัติในช่วงตอนเช้าก็ตัวเบาตัวเบาจิตเบาพระอาจารย์จมลมหายครับพระอาจารย์แต่ว่า ผมก็ยังไม่ยึดผมยังไม่ดับพระอาจาร้าก็ก็ก็เบ า, าอยู่ครับก็ยังก็ยังไม่จริงใจก็พยายามอยู่แล้วทํำไปเรื่อยๆเหมืนอนปลูกต้นไม้ต้องหว่านน้นนาำไปเรื่อยๆต้นไม้มันได้ อ, ไไดอยเๆเขาจะริญตบโตไปครับผมในช่วงช่วงกลางวันก็ฟังฟังเทปของพระพเจ้าครับวันไหนวันไหนมันง่วงก็แกล้งตัวเองเหมือนพระอาจาร้ า, านั่งกลางแดดพระอาจารย์ หลังโดนแดดไว้ดูมันจะง่วงันเป่าก็เออได้ครับพระอาจารย์หายครับหายแต่ก็ไม่รู้สึกครับก็ฟังฟังเสียงระอาจารย์ไปก็ก็ต้องต้องดับมันหน่อยแล้วต้องเอาเอานหน่อยเงี้ยครับะอาจารย์ครับได้ครับครับาบายาบายชื่อนันครับตัวนั่งน้่งกันแบบครับนั่งสลัน้สองสลังเนี่ยครับอาจารย์ก็ได้ครับตอนที่เราไม่ได้ปวดตอนนีเราตนนี้มัน้มานั่งกางเหลอที่ชายทะเลนั่งคนเดีว เการ้อนมากก็ลองไปแช่ในนะำร้อนมานั่งครับครับหรือว่าก็ลองเต่ช่วงช่วงนี้ช่วงเย็นก็ก็เริ่มเริ่มเช้าหรืออประมาณหกหกโมนครึ่งก็สวดมนต์ไปก่อนนะครับอาจารย์นิยญาณจะเหมนสี่ทุ่นะครับอาจารย์หลังหลังสองทุ่มไปก็นั่งสมาธิไปครับอาจารย์โอเคครับท่าต่อไปนะ่านทำต่อไปนะ ครับครับต้องขอบคุณพระอาจารย์มากครับที่ที่สั่งสอนครับอาจารย์ก็ขอท่าสันพระอาจารย์ไม่ต้องขอบคุณขอให้ปฏิบัติบุญชาก็พอแล้วขอให้ปฏิบัติไปไม่หยุดก็แครับผมไม่หยุดครับอาจารย์ครับไม่หยุดครับตราบใดยังยังไม่ถึงยังไม่ข้ามฝั่งยังเอาให้ได้ครับอาจารย์เท่ากุฏยามะครับครับผคขอพระอาจารย์รักษาท่าสันครับผมสาธุสาธุครับคุณแย้มบุดอนธานี ยังไปใส่บาตรยังไปใส่บาตที่วัดป่าบัรตาบ้างก็แบบไปบ้างก็แบบบรามัรตาไปได้ตาค่ะแต่ว่าไปใส่ที่วัดป่าบัรจิกค่ะไปทุกอาทิตย์เลยค่ะใช่ค่ะบัรจิกก็อยู่ปากทางเข้าวัดใช่ไหมบรรจิกนี่บัรจิกดูไปใส่ในวัดได้เลยค่ะแค่แต่เป็นทางเดียวไปกับไปวัดที่วัดป่าบัรตากับบัรจิกเนี่ยคนละทางเลยค่ะวัดป่าบรรจิกคือวัดทิพย์นะคะ อยู่อยู่แถวสนามบินนะ ะ, ะใกล้สนามบินใช่ค่ะใกลสนามบินพอดีวมื่ากี้นนดได้ฟังเรื่องของคุณออมะค่ะคือ <c oughs> ลูกก็เลยหอมีคำถามเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานี้ก็คือคือดีขึ้นมามากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนเรามีข้อสอบที่ที่เราตั้งรับได้นียค่ะแล้วเราตั้งไว้แล้ว แล้เราก็สอบผ่านจนเราอัศจรรย์ว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันทําไมทําได้เนี่ยค่ะแบบ mm hmm. มันไม่แกร่งเลยนะคะมันเฉยจริงๆค่ะแต่พอพอเรามาเจอเข้อสอบอย่างของน้องออมใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ตีแฟนเขาเลยแต่เนี่ยลูกลูกไปตีแฟนเพราะว่าแฟนเขาหุ้นตัวไหนก็ไปติดอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ลูกเข้าไปบ่นเขาว่า mm hmm. เธอไปเข้าเนี่ยมันเละตินะคะ่ mm hmm. ทั้งที่เหตุปัจจัยมันก็เป็นที่เศรษฐกิจอะไรเงี้ยคะ่ะแต่เรา mm hmm. เราก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแต่เหมือน เหมือนเราฝากเราพูดออกไปในสิ่งที่เราองมันไม่มีสติไม่มีสแต่เวาเาเหมือนเราไปหยอกนะคะแต่ก็ไม่สมควรใช่ไหมคะก็แล้วแต่แนี่อันนั้ถ้าพูดแล้วมันเป็นประโยชน์ก็พูดได้แต่ถ้าพูดแล้วมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นเรื่องไม่อยากพูดดีกว่า <c oughs> ใช่ค่ะเหมือนพูดไปแล้วเขาก็อาจจะเสียใจใช่ไหมคะก็อยากพูดดีกว่าเน่งไว้ตำ ร, ร้องตำหนิทอง ค่ะแต่ก็ไม่คะลอะกันเลยค่ะดีคิดดีมากๆากเลยค่ะขอขอบคุณพระอาจารย์มากมากนะคะอยากไปสเซปาเดียวค่ะแต่ว่าปัจจัยยังไม่พรอมค่ะโอเคแล้วแต่สะดวกค่ะสาธุค่ะคุณสุภาธนาจากบอบินชลบเรกล่าวมาสการพระอาจารย์นะคะเออก็เข้ามากราบพระอาจารย์นะคะปฏิบัติตอนนี้ปฏิบัติอยู่แล้วก็ เ, เพิ่มขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ปล่อยวางด้วยด้วยการพิจารณาความตายเจ้าค่ะอาจารย์ทออำให้หายปวดได้เร็วขึ้น่ะโนยความตายนี้ถ้าถ้าพิจารณาเป็นก็เป็นประโยชน์มากปล่อยวางได้เยอะเลเจ้าค่ะเพราะว่าเราเราตอนนี้เราคิดอะไรไปทำอะไรไปมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าถ้าเราตายในวันนี้พรุ่งนี้ก็ก็จะทำอะไรต่อไม่ได้ก็เลย ไม่ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นแล้วจ้ะค่ะอาจารย์เอาตรงนี้มาช่วยพี่จงครับเอามาเอาเวลามาทำทำท ำ, ทำดีวกว่าพราทำเนี่ยเาเอาไปได้ <ซะ S 2> เนี่อเนี่ยเราไปไม่ได้เลยจ้ค่ะก็ก็กพยายามวิ่งตามอาจารย์จด้ค่ะตอนนี้โอเค เอาหยุดแล้วเอาหยุดแล้วเธอยังวิ่งอยู่นะก็มองว่ายังไม่ถึงจุดที่ว่าจะจะหยุดจวะอาจรย์ก็วิ่งหมอได้เคราะอารย์อยู่วิ่งตามตามทุกท่านสาธุซันนี่แบงค์ขาวเชิญกลับน้ำสกานพรอาจารย์ค่ะวันนี้มีคำถามคุณแม่ฝากมาถามค่ะ คุณแม่ถามว่าคือตอนก่อนที่คุณแม่ท่านจะนอนอะคะ่ะท่านก็จะนอนพุทโธไปเรื่อยจนจนหลับอะคะ่ะแล้วก็พอถ้าตื่นมาก็จะนึกพุทโธหรือว่าระหว่างวันที่ว่างก็จะนึกพุทโธตลอดอะค่ะก็คุณแม่บอกว่ารู้สึกว่าใจสงบขึ้นคุณแม่ถามว่า อ, อที่ทํานี่มันถือว่าเป็นการทํากรรมฐานหรือเปล่าคะก็กรรมฐานมันมีหลายแบบสมาธิก็เป็นกรรมฐานแบบหนึ่ง วิปัสนาหรือปัญญาก็เป็นกรรมฐานแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นเป็นกรรมฐานระดับของสติสติสมาธิแต่ยังไม่ได้เป็นระดับของวิปัสนาหรือปัญญาค่ะ อ, อแต่ว่าที่ทํานี่ไม่ไม่ได้ผิดวิธีหรือผิดหลักการของพุทธศาสนาใช่ไหมคะเออ๋อไม่ผิดหล อ, อกถูกทําทให้ใจเบาใจเย็นใจสบายนะแต่แต่ว่ายังไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ลึงพอ ถ้าอยากให้เลือกต้องนั่งหลับตาแล้วก็อย่าขยับแล้วก็อย่าขยับร่างกายให้นั่งให้นิ่งๆแล้วก็พุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะเนิ่งสงบค่ะพอดีคุณแม่เขาจะมีปัญหาเรื่องข่าอ่ะคะ่ะเขาก็เลยนั่งแบบขัดสมาธิไม่ได้ไม่เป็นไรนั่งก้อยี่ก็ได้เพียงแต่ว่าอย่าขยับอย่าขยับไปขยับมาพอนั่งแล้วก็ปล่อยร่างกายไว้อยา่มมาไปยุ่งมาบมั แล้วก็อีกข้อนึงคือคุณแม่เขาติดแบบว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทท่านบอกว่าเหมือนติดทําแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วค่ะก็เลยแบบพุทธโทอย่างเดียวไม่ได้อะค่ะจะจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นดอกไม่การใช้ได้ไไดค่ะค่ของคุณแม่มีคำถามแค่นี้ค่ะส่วนของหนูก็ตอนนี้ก็พยายาม ฝึกข้อสอบเวทนาอยู่ค่ะก็ช่วงนี้มีโรคพวกกดไหลย้อนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีอาการก็พยาพยามพยายามพยายามเหมือนฝึกว่ามันเป็นเวทนาเป็นเวทนาที่เราจะต้องเจอก็ฝึกพยายามฝึกให้ผ่านอยู่ค่ะอมันเป็นสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ต้องอยู่กับมันไปพยายามชอบมันหัดชอบมันถ้าชอบอะไรแล้วมันก็จะไม่ทรมาถ้าเราไปเกลียดมันมันก็จะทรมา ค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็แพ้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่ค่ะแล้วว่างความชอบกับความเกลียดค่ะพระอาจารย์ค่ะค ข, ขอบคุณค่ะโอเคสาธุาคุณมารีแชนุทกาะกอธมรจาหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อหนูอยู่ทการค่ะมีอะไรไห ม, ม, มก็ไม่มีคําถามหนูก็ปฏิบัติทุกวันนะคะหลวงพ่ อ, อ, อแล้วก็เดี๋ยววัน เสาร์อาทิตย์นี้หนูจะไปอยู่วันดนะคะหลวงพ่อีวัดป่าแถวที่นครนายกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะปไปไปแถาเชีโองนะเอาทิตย์นอ้หยุดสามวันเนี่มันมาค้างด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าไปแบบไม่ได้จองที่พักก็ไม่รู้ว่าได้ยังไงก็อยู่อย่างานะตามมีตามเกิดไปค่ะหลวงพ่อคนน่าจะเยอะแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาหนูไปไป พาลูกไปใส่่าหลวงพ่อหลวงพ่ออินทวายหลวงพ่อสู ธ, ธรรมแล้วก็หลวงพ่อสามด ง, งพระอาจารย์วิทยาแล้วก็พระ อ, อีกประมาณสิบสาด้วยค่ะท่านมาจากอุดรออ น, นะค ะ, ะ, คะมาที่สวนแสงครับใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่ะมามาที่ตรงพัฒนาการหกสิบสี่ะค่ะเขาจะเป็นมูนิคิจันลมพุทธศาสนาอะไรสักอย่างเนี้ยคะ่ะอ่เาเในมูลนิมนต์นพระมา ใช่ค่ะคนเยอะมากมากเลยค่ะหลวงพอ่อเด็กคนศรัทธาในภาพปฏิบัติมากใช่ค่ะหลวงพอ่อแต่ไม่ค่าปฏิบัติแต่ไม่ค่อยปฏิบัติ ต, ตนเองศรัทธาชอบใส่บาตรก็ไปใส่บาตรกันค่ะหลวงพอ่อแต่ว่าแต่หนูเห็นท่านแล้วก็ท่านก็จะเล่าถึงคุบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็นึกถึง หลวงปู่หลวงปูนองที่เพิ่งเข่าไปอะค่ะหลวงพ่อหนูเห็นเห็นอถือท่านอะคะ่ะใส่แบบเป็นแก้วแบบสวยมากเลยอะคะ่ะหลวงพอ่อก้อนใหญ่ด้วยอ่ะคะ่ะ mm hmm. ทีนี้ทําให้ให้หนูมีความคิดว่าเหมือนเหมือนแบบคิดคิดหวังเยอะอะคะ่ะหลวงพอ่อบอกว่าทําไมเราเราทํายังไงเราถึงจะปฏิบัติแล้วให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยมี มีอยู่ในตั้งอยู่ในใจว่าทำยังไงถึงจะไปให้ถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราต้องทําเหมือนกันเี่ยท่านอยู่ป่าอยู่เขาอยู่วัดล้วก็ต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่วัดแล้วอยู่บ้านก็ไม่ได้เลยมันยังไปไม่ได้อ่ะค่ะไม่ได้ก็อย่าไปอยากได้เลยพอเห็นแล้วมันก็เลดมันก็อยากจะทําให้เยอะๆอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็ต้องทำให้ได้ยถ้าอยากมันก็ต้องทําไม่ได้ ถ้าอยากก็ทําให้ได้ก็อย่าเปอย่างให้มันทรมานใจไปกว่าเห็นเห็นแล้วก็พอทีนี้หนูก็รีบีหนูก็พยายามที่จะเร่งอยู่ค่ะหลวงพ่อก็ไปพยายามที่จะนั่งให้มันปฏิบัติให้มันเยอะๆอะไรอย่าเงี้ยค่ะหลวงพ่อบางทีมันก็ไม่ร่างกายมันก็จะไม่ไหวอย่างเงี้ยเหมือนเราเราเราอยากเยอะไปอะค่ะหลวงอเราต้องวางแผนระยะยาวถือว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง ถึงจะไปถึงจุดนั้นได้แต่เรายั ง, ย, งยังทําตามแบบเดิมอยู่เนี่ยมันก็อยู่แค่จุดนี้นะถ้าไม่มีการวางแผนว่าจะต้องลดการทํางานให้น้อยลงอะไรลงไปอะไปฏิบัติให้มากขึ้นเลยมันก็อยู่แค่จุดนี้คนระับเมันยังยังจัดการไม่ได้ค่ะข้อมันถ้าไม่ไม่ได้แราวไม่จัดการมันก็ไม่ได้นะเราไปหลงเราไปหลงติดเข้ามามันก็ไม่มได้ สิท อ, อีกตรงลูกเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนเราจะเอาภาระไปให้คนอื่นเลยออะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดเราตายไปวันนี้แล้ว เ, เ, เราจะเราจะทํำยังไงอนะแต่เราไ ม, ไม่ไม่รับรู <laughs> ้แลอถ้าเกิดเราตายไปวันนี้ทํำไงเขาก็ต้องอยู่ของเขาไปเห็นไหมเราก็ ต, ต้องดินหาที่พึ่งของเขถ้าเขาพึ่งตัวเองไม่ได้เก็ต้องหาที่พึ่งเข้าไปค่ะหลวงพ่อ ยังพระพุทจ้าก็ก่อนไหวไม่น่าบวงไงพระพเจ้าเพราลูกออกมาก็ไปเลยดีป่ะค่ะหลวงพอ่อ แ, แต่เขาไม่ไม่เหมือนคนปกติเท่าไหร่มันก็เลยแบบไม่รู้จะยังไงดีพอหนูก็หาหาคนดูอยู่ค่ะหลพ่อแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่ได้รับฝากแบบเต็มที่หนูก็เลยแบบกึง่งๆึ่งอย่างเงี้ยว่าใครจะช่วยหนูดูเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวพอ่อ เนี่ยก็ต้องอยู่กับเขาไปจนจนวันตายกันแล้วถึทําไว้ได้หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปก่อนหรือเขาไปก่อนอะไรเงี้ยเนาะแจะทํำยัำยงไงนะก็ต้องอยู่จนเขาต้องนับสภาพนี้ไปก่อนในเมื่อมันติดอยู่ไปไม่ได้ก็ต้องอยู่เหมือนรถขึ้นทางด่วนไม่ได้อยู่ก็ต้องอยู่ใต้ใต้ทางด่วนนะครับไปเรื่อยๆก่อนขับขับอยู่ตลอดน้ำมันมันก็จะหมดแหละ เว้ยนะก็ไมหมดโอเคเออเขจะเขต้องยอมรับสภาพจะจะไปทุกข์กันทาไมมันไนม่เกิไปเลยแต่เหตุนหนูเห็นแล้วหนูก็พึ่งใจดีใจก็แล้วก็มานึกย้อนตัวเองว่าเนี่ยเสียเวลาไปเยอะแล้วแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้อันเนี้ยค่ะหลวงพ่อคิดปไปทำไมล่ะคิดแล้วมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีค่ ะ, ะหลงพ่อ ถ้าคิดแล้วมีทางออกก็น่าคิดอยู่ใช่ไหมถตาคิดแล้วไม่มีทางออกก็เรียแบบคิดมันคิดไปให้ทุกไปเราไปทําของเราไปตามที่เราทําได้แล้วกันค่ะหลวงพ่อะจะต้องบรรลุในรูปแบบนี้ก็ได้บรรลุในรูปแบบนี้ก็ปฏิบัติเันตรงนี้แหละบรรลุเป็นตรงนี้ก็ได้การบรรลุมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเราสามพื่ข้าหลวงพ่อใช่ไหม อ๋อเรก็บรรลุตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนคนระับปฏิบัติมันตรงนี้ครบรรลุมันตรงนี้ปล่อยวางมันตรงนี้ oh. ก็อยากไปอยากทั้งนี้ตัวอยากนี่เป็นตัวที่ขวางการบรบรลุธรรมทั้งหมดถ้าตัดความอยากทั้งหมดได้มันก็บรรลุธรรมได้ oh <my> ใช่ไหมอ๋อ oh. แล้วก็อยากปรยัดเห็นพระธาตุของครูบาอาจารย์ก็อยากประหยัดอยากเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เมื่อเราเป็นไปไม่ได้แบบนั้นแล้วก็เป็นบาปของเราเปไปยังไงหนูปฏิบัติให้เต็มที่เลยค่ะหลวงพ่อไ่อยห<ำ>ยุดความ<ำ>อยากต่างๆไมแล้วเกิดความอยากอะไรก็ตัดมันไปตรงนั้นเลยไม่ต้องไปต่ อ, อไปตัดที่อ้าวเข้าใจาไหม ทําใจเฉยๆวางเฉยไว้ไม่ต้องไปอยากกับอะไรนะตัดการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาตัญ ห, หาไปเวลามันเกิดขึ้นมาอยากเป็นอยากไม่เป็นตามมันไปฉันเป็นของกัน้นไหนจะไปอยากเป็นอะไรอนัน <c oughs> เข้าเาใจไหม ค่ะอ่าโอเค okay, นะสาธุค่ะสาธุค่ะวราคุณหลวงพ่อค่ะ อ, อ, อาา่าที่คุณพิมตอคุณพิมอยู่ที่ไหนครั้งแรกมันไม่ไกลเข้ามาเลยนะครั้งที่สองค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนครั้งแรกครั้งแรกเดินที่แล้วค่ะแล้วก็เอ่อได้มากับพระอาจารย์ั้งน้าอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็ หลังจากที่ได้กับพระอาจารย์ไปก็ไปมีโอกาสได้ถือสีงแปดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงบ้างคือทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ทุกวันนะคะพยายามทุกวันอาทิตย์ละสองครั้งนะคะถือศีลแปดก็ดีการรักษาไปค่ะแล้วก็มีคำถามมาค่ะพระอาจารย์ว่า คือเวลาที่นั่งปฏิบัติอะค่ะนั่งภาวนาแล้วก็เห็นเห็นเห็นเห็นความแตกแตกดับแล้วเพิ่งเข้าใจคําว่าเข้าเข้าถึงคําว่าตจรักนะคะแล้วก็อยากจะถามว่าที่ฟังพระอาจารย์สอนมาในคลิปอะค่ะที่บอกว่าคําว่าแทงทะลุอริยสัจคืออะไระคะก็มองเห็นชั้นไงเห็นอริยสัจคือเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราเช่นแฟนจะทิ้งเราแล้วเราทุกข์เห็นเรา แล้วก็เห็นว่าที่เราทุกข์ก็เราอยากให้แฟนก็ไม่ทิ้งเราอยากให้เขาอยู่กับเราตลอดแล้วถ้าเราอยากจะหายทุกข์เราต้องตัดความอยากนี้ไปช่างมันมันอยากจะไปก็ปล่อยมันไปห้ามันไม่ได้ไายอมปล่อยให้มันไปได้ก็หายทุกข์ห็นแจแทนตลอดด้วยความจยากของ่จริงไม่ใช่จยากของจินตนาการจยากเหตุการณ์จริงเหตุการณ์นั้นที่เรากำลังทุกข์อยู่เนี่ย ถ้ารามีสติปัญญาท่านเราต่เห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราแล้วสิ่งที่เราไปอยากมันก็เราไปควบคุมบังคับไปห้ามไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปแล้วนี่ค่ะก็เลยเข้ามากับนมั ส, ส ก, การว่ารู้สึกว่าเเป็นการมุ่งใจให้ถือศีลแปดมักแบบได้มากขึ้นอะไรอย่งางเงี้ยค่ะศีลแปดเป็นเพียงเครื่องมือการเพื่องมือให้เราได้มีเวลาเจริญสติ ถาถือสินแบแล้วมันเจริญสติก็ไม่เกิดประโยชน์มากเท่ไห่ <Okay. S 1> สินแบเป็นเงินเครื่องมสนับสนุนในการเจริญสติการนั่งสมาธิแล้วเรการการเจริญปัญญาเจ้ <c oughs> ค่ะจาเรื่องแทงตลอดในะอริยสัจทีอนะใช่ดูแจ้งแทงตลอดนะโอเคนะมิท่านิเค่นะโอเคสาธุ คุณวิไลไม่ได้เปิดกล้ามหรืเปิดหรือเปล่าไม่ทราบไมเปิดเดียวข้ามไปที่คุณจีบก่อนจีบจีบเปิดอยู่เชิญจีบอยู่ USA Maryland ก, การนสการค่ะอาจารย์ก็นี่รอยาวหน่อยนะชิวยาวอ๋อไม่เป็นไร2 2> ค่ะอาจารนะย์โยมนั่งทำงานไปด้วยคะ่ะโยมก็เลยนั่งทำงานแล้วก็ฟังไปเรืยย่อยๆคะ่ะ ก็เป็นเป็นธรรมทานค่ะก็ก็ทุกคนก็ถามคําถามที่โยมอยากถามไปส่วนใหญ่แล้วค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็จะพยายามปฏิบัติให้สมาเสมอคราวแต่บางทีมันก็แบบไม่รู้โยมยังมีขันเขาเรียกอะไรคะขันห้าหรอขันธรรมะล่ะคะที่แบบง่วงเนี่ยค่ะพระอาจารย์อกิเลสมานมากกวาขันธมะกิเลส ความอยากกินเยอะความชอบกินเนีอยไม่ใช่ขันธมาขันธมาอะถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เนี่ยขันธมาอ๋อค่ะค่ะไอกิเลสนี่คือความอยากไอมารแบกิเลสนี่คือความอยากความง่วมันเกิดจากความอยากกินนะมันก็เลยทําให้ง่วงนหรอคะเรายังพยายามฝึกยังไม่แน่ใจว่าเป็นร่างกายเอาหรือเปล่ามันก็แบบเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ร่างกายอยู่ที่กิเลสมันอยากกินมากมันกินมากมันกินมากมันก็เลยง่วงเลยเนี่ น้ำน้ำเท้าเต็ม น, น้ำตาก็หยอนแต่ะว่าสงสัยเป็นเพราะว่าเรากินดึกเกินไปใช่ไหมคะแบบบางทียมกลับมาบ้านยมก็แบบว่าโอเคให้ลูกๆทานให้หมดเสร็จพอลูกเริ่มทําทุกอย่างเสร็จสามทุ่มยมถึงจะแบบว่าเริ่มมหาพาร์จี้ยมแบบสงสัยมันจะดึกเกินไปแน่เลยอ่าคนจริงๆจะอยุดกินตั้งแต่เที่ยงวันมาแล้วใช่ค่ะยมโอ้คือโยมพอยมทํางานที่ทำงานเขาก็าจะกินกันตอนเที่ยงครึ่งเที่ย ง, งอะไรอย่างเงี้ย ยมก็แบบเราจะกินก่อเราะเรากินแล้วหลังจากจากนั้นก็อยากกินค่ะแล้วก็เรียกว่าบางทีแบบอยู่กับคนเนี้ยจริงๆนะคะพระเจ้าบางทีมันทํางานแล้วอยู่กับคนแล้วบางทีเออถ้าเขามานั่งกินกันแล้วยมไม่ไปนั่งยมไปนั่งอยู่ข้างนอกคนเดียวคือแบบเราไม่ไปร่วมกับเขาบางทีเราก็เออคือเหมือนกับว่าจริงๆยมก็ใช่ใช่ค่ะยมไม่ได้สนใจว่าเขาจะคิดยังไงอ่นะคะแต่บางทีก็แบบ เพื่อความสมุทเขาเรียกอะไรในการทํางานนะคะบางทีก็แบบเออก็ต้องยอมอะไรอยเงี้ยค่ะก็เลยเอออยู่ในสังคมอยู่ในเมืองเล็กก็ต้องเลตามปลาเลยใช่ค่ะยังกแบโอเคนับวันตั้งเปลาไว้รอก็ได้รักษาสีหน้าไปก่อนรักษาสีหน้าทำทางไปก่อนภาวนาก็อยากมันไปหวังมากนะพูถึงรักษาสีหน้าเมื่อวานนี้มีมดมาค่ะอาจารย์มดเข้าบ้านนิดนึงยมก็ยาามเอาจะทําความสะอาดแล้วเผื่อฉีดสเปรย์ จะจะการเขาไงคะสเปรย์ไม่ได้โดนเขานะคะแบบฉีดกันแบบสงสัยเราอาจจะทำน้ำตาลอะไรหกไว้เขาเลยมาไปฉีดไป<ม>อุ๊ยไปโดนตัวเขาเขาหล่นตุ๊บรออุ้ยขอโทษ ป, ปาดเข้าไปก่อนเลยัน้นตอนจะฉีดปาดไปไปยมก็เลยยมก็เลยโอเคปัดเขาตอนแห้งๆไปก่อนให้เขาลงไปแล้วเอาไปปล่อยเขานอกบ้านเลย<ม> <laughs> อยูโอขออโหสิกรรมด้วยนะบดตัวน้อยไม่ตั้งใจ<ม> <laughs> ค่ะะอาารวันนี้ไม่มีอะไรค่ะว่าจะรักษา ส, <Okay. S 2> สุขภาพนะคะค่ะสาธ<า>ุค่ะสาธค่ะาที่ตะวันนะตะวันจุเนียร ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะมันจูเนียอ่าจ้าอืมกลับมาามพระาจารครับอ่าวันยังไงเอิ่มดีดีครับดีครับมีอะไรจะถามไหมวันนี้ เออมีช่องคําถามครับว่ามาเลยออทําไมเรามีในชีวิตทํามทาไมเราคุมมีเจ็บแล้วก็ปวดมีเจ็บแล้วก็ปวดนะ่พราะมมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องเจ็บต้องปวดเป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับมีผมมีขนมีเล็บในฟันเงินส่วนประกอบของร่างกาย ความเจ็บความปวดก็เป็นส่วนประกอบของร่างกายมันเป็นการส่งสัญญาณบอกเราว่ามันไม่สบายแล้วต้องเราต้องดูแลมันมันส่งสัญญาณให้เราบอกว่าตอนนี้ฉันไม่สบายนะช่วยจัดการหน่อยเข้าใจไหมเวลาเราเจ็บเราปวดนันแสดงว่าร่างกายเราไม่สบายเราต้องค้นหาหาสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็หายามมันกินน่าก็หาย อ้ามตามที่ส่องเราต้องทมอะไรที่ทำให้กลัวแมงมุมครับเขาหัดไปอยู่ใกล้ๆมันเวลาเจอมันก็พยายามทําพูด้ทัวคุ้นทัวแล้วก็เข้าไปอยู่ใกล้ๆมันอยู่ถ้าไม่กัดเราหลับถ้ามันจะกลัดก็กว่ายมันกลัดไปคระบอย่างนี้มันยิ่งนี้มันก็ยิ่งยิ่งกลัวใหญ่แต่ไปหนี้ทําใจก้าวๆทำใจเชเฉยๆ จะมาโมโหพุโทโธพทโธพุทหรือแผ่เมตตาก็ได้แผเมตตาเรามาเป็นเพื่อนกันนะเรามาเป็นเพื่อนกันเราไม่เป็นเราไม่เป็นศัตรูกันเรามาทำความรู้จักกันเราต้องทำตัวแบบอย่าไปกระตุกกระตาอย่าไปทำให้เขาตกใจทำทำแบบเรียบเรีย บ, ยบนิ่งนิ่งพอาจาไหม ถ้าเราถ้าเราแสดงความเป็นมิตรเดี๋ยวเขาก็เขาก็าาเป็นมิตรกันเใช่ทำได้ไหมทำได้ไหมเราเจอนางบง แ, แล้วเราเข้าไปหาเขาแบบแบบจะ่าไปทำแบบนั้นให้เราตป่นตกใจแล้วกันทำได้มใช่มามีคำจามแล้วครับเหมือนกันเลยมีส่งใครบ้างไหมเออมีส่งคำบ้างไหม อ่าบ้านถามานมีอะไรบ้างอากาสสิบสองทำอะไยังเอ่อเอ่อใช่าว่ามาผมคนดเล็บฟอมนอนนวลแอนครดูขี้นักครดูตายหัวใจถ้าป้องคุดน้ปอดใช่ใช่ใช้น้อยอาหารใหม่อาหารเน้าดีน้ำชลเลดน้าเหลืองน้เลึกน้ำเงินน้าน้ำมคนน้าตาน้าเมลียวน้ําาย เน้ำมูกน้ำน้ำไขข้อน้ำมูดเอ่อเยอะในสมองฮะเยอะในสมองบางทีมันต้องอยู่อยู่ก่อนอยู่ก่อนน้ำเรือน้ำดีน้ำทะเะแต่ไม่เป็นไรถ้ายังจําได้ก็โอเคอท่องทายลองได้อะเยอะในสมองน้ำมูดน้ำาขข้อน้ำมูดยังไม่จบยังไม่ถึงยังยังยังท่องถายหลังไม่ได้นะ ลองหัดท่องถอยน้งดูด้วยไปทางข้างหน้านะครับพอถึงอาการที่ 3-12 ก็นับถอยน้ากลับเยอนในสมองน้ำนูดน้ำนไขข้ออะไรย้อนกลับมาอันนี้จะต้องใช้สติมากขึ้นนะครับดีในการฝึกฝึกสติไปในตัวใช่ดีไหม ดีครับ ป, า okay. ป้าชาโอเคคุณแม่มีอะไรบาอางวันนี้วันนี้ได้ดูภาพอะไรลูกปัญญาสีเออวันนี้ดูดภาพของโคมที่ชายแล้วโกเป็นอยังไงน่ากลัวไหมมาไม้เป็นหน้ากลัวแตมาเป็นชีวิตจริงจอิงของจริงนะของารู้ก็มีใช่ไหมความจริงหนูก็ไมีใช่ของพวกนี้ ม, มีมีอยู่ในร่างกายขอยงหนูใช่ไหม ใช่เราพูดจริงใช่ช <c oughs> ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกนะเพราะมันเราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดเนะี้ยอาการเหล่า น, นี้อาการทาั้งสองอยู่ในตัวเรามาตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่มองมันเรามองไม่เห็นอันนี้เราแล้วมามองมันมาศึกษามาทําความรู้จัก พ, พยายามนึกดี บ, บ่อย แต่บาเวลาเห็นคนก็พยายามนึกถึงส่วนอื่นๆของเขาด้วยนะไม่ใช่ตาเฉพาะที่เราเห็นแค่ผิวหนังเท่านั้นมองเข้าไปใต้ผิวหนังใต้หนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกใช่ไหมใช่ค่ะที่แต่บางทีไม่กลัวของกระดูกเนี่ยบางทีเคนเจอเห็ น, คนโครงกระดูกอ้ยตกใจกลัวใหญ่ของกระดูกไปกลัวของกระดูกทำไม <c oughs> โอเคมีอะไรไหมไม่มีครับคุณแม่มีไหมมีค่ะมีหลึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์คือโยกสงสัยว่าเรื่องการเบื่อโลกนะคะแบบอริยศาสตร์เห็นทุกข์จริงๆกับเบื่อโลกแบบกิเลสเป็นโทสะแล้วก็ขี้เกียจเป็นตัณหาแบบนี้ค่ะอารมณ์จะต่างกันยังไงคะพระอาจารย์ถ้าเบื่อแบบกิเลสมันจะไม่มีความสุข มันเบื่อแบบเบื่อแบบเพราะมัวมัหยียดลําคาญใจมันเบื่อแบบนั้นมันจะเกิดอาการมัวยึดลาคาญใจแต่ถ้าเบื่ทางธรรมันจะเฉยเฉยมันเป็นรุเบคคาเนี่ยไม่เหมือนกันมันจะไม่มันจะไม่หงุดหยียดไม่ทุกกับความเบื่อนั้นมันเฉยเฉยแต้รงเบื่อเพราะด้วยเหตุาลว่ามันไม่มีสาระไม่มีคนไม่มีประโยชน์อะไร โดยนอกมันต้องหทำให้ไปหลงไปรักไปชอบมันไปยินดีกับมันแต่ครับจริงแล้วมันก็เป็นของชั่วข่าวแนละ้วมันใช่ไหมได้มาเดี๋ยวก็หอกไปต้องเห็นนั้ น, นจังเห็นนะเห็นนั้นมันก็จะเ ก, กิดความเบือหน่ายขึ้นมาจบเข้าใจไหมตามตามตามทิศทางด้วยป่าตามตามทิศทางหรือ่ค่ะพอาจารย์ค่ะ เย่นั้นนี่งั้นอย่าไปเบื่อแบบเบื่อเบื่ออย่างๆเบื่อแล้วเดี๋ยวอีสองวันอยากขึ้นใหแล้วงั้นเบื่อทางโลกเบื่อแบบเบื่อเบื่ออย่างๆพอกินเขาอะไรบ้างบเขาก็เบื่อเดี๋ยวพอไม่ได้กินสักพักก็อยากกินอีกแล้วงั้นเบื่อทางโลกถ้าเบื่อทางธรรมะเบื่อล้าเบื่อเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอเคยนะพอแล้ว แล้วก็พระอาจารย์คะเราจะพิพจรารณายัางไงคะจะใช้หลักอะไรคะว่าอย่างโยมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบสุงสิงกับผู้อื่นนะคะก็คือถ้าอยู่คนเดียวได้คืออยู่บ้านนี่จะแฮปปี้มากแต่ถ้ามีโอกาสอย่างเช่นว่าคนรู้จักชวนไปชวนไปนงานหรือว่าชวนไปทานอาหารอะไรแบบเนี้คะ่ะจะมีหลักในการเลือกอยังไงคะว่าอันเนี้ยควรไปหรือไม่ควรไปที่มันจะเป็นเหตุผลทางธรรมจรงิจรงๆไม่ใช่เพราะว่ากิเลสตัณหาหรือว่าเลี่ยงที่จะไม่ไปเพราะเราไม่ชอบแบบนี้คะ่ะพระอาจารย์ จะใช้หลักยังไงคะในการพิจารณาก็มันหลักก็มันมีหลายหลักด้วยกันโดยหลักลว่าเราก็คือเราเราชอบความสมบูรงนั้นการที่เราจะไปสังคมใครนี่ก็ถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็อยากไปแต่ถ้าเขาเป็นคนที่เขามีพระคุณกับเราเราเราเขาต้องการเราเหมือนกับเป็นการตอบแทนคุณเราก็ต้องไปเพื่อ <c oughs> ไม่ให้เสีย ความรู้สึกว่าเขาเราไม่มีความประทับอยู่ เ, เราเองบางทีเราก็ ไ, ไม่ไปนั่นหรือแบบไม่ไปก็บางทีก็ใช้ตัวแทนไปก็ได้เช่นบางทีงานศพนี่เราไม่ไปแต่เราส่งเงินไปแทนเ <c oughs> อ, อ๋ออ๋อเป็นจะาภาพคืนหนึ่งแต่เราไม่ไปนะเขาก็โอเคว่เราไม่ไปเราไม่อยากจะเข้าสังคมกับรแต่เราก็ไม่อยากจะแสดงว่าเราไม่หนึ่งทำเนึก ก็คนที่เขามีบุญคุณกันแล้วเขาเสียอย่างเงี้ยแล้วก็แต่แล้วไม่อยากจะไปงานอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่าเขาเป็นเจ้าภาพแทนแล้วก็จะให้คนอื่นให้พระลูกอื่นไปเป็นเป็นเป็นทำหน้าที่แทนเราอะเง้ยมันก็โอเคนี่ก็ถ้าพูดกันได้กับคุณน่าอธิบายเขาฟังว่าเราเป็นสายอาแบบชอบสมออะไรก็ว่าไปนะพูดได้ถ้ามันไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องไปจริงๆก็ต้องไป อันนี้เป็นญ<ะ>าติผู้ใหญ่เราหรอะไรอย่างเงี้บางทีมันไม่ไปก็เหมือนเกษตรความเขารบอะไรอย่างเงี้ก็ต้องไปไปก็ทําใจเป็นอุเบกขาเพื่อนเราอย่ากไปอินของมันก็แล้วกันไปเหมือนกับไปเล่นละครเนะันนี้เป็นฉากหนึงตอนนี้ต้องไปถ่ายละครนอกนอ ก, นอกสตูดิโอไ ป, ไปถ่ายที่นักสตูดิโอไปอเดี๋ยวก็จบถ่ายเสร็จแล้วก็กลับบ้าน ถ้าเราใจล้วไม่ไปมีความชื่นชอบยินดีกับกิจกรรมมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นจากไปไปทำหน้าที่มาค่ะค่ะถ้าไม่ใช่ญาตินี่ก็คือว่าก็ควรปฏิเสธไปใช่ไหมคะพาจารยถ้าเป็นเพื่อนแบบเนี้ยค่ะถ้าเราคิดว่าถ้าเราปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปคคือถ้าเราไม่ตามที่ว่าถ้าเราปฏิเสธแล้วเขาโกรธเขาไม่อยากเขาเปบนเพื่อนเราถ้าเรายินดีเขา เรายินดีเราไม่เสียใจเขาโอเคเขาปล่อยเขาเ้าปวดไปแล้วก็เริ่มเป็นเพื่อนไปดีเขาจะได้มันต้องมาอยู่กับเราอีกใช่ค่ะก็มีนะคะคือตอนแรกก็ไปอยู่อาจจะเก่งใจแต่ว่ามาดูความรู้สึกเราเวลาที่ไปแล้วมันแฮปปี้ไม่แฮปปี้เลยค่ะอาจารย์อยากจะกลับมาบ้านนะคะแล้วก็ชวนไปเอชวนไปดงดอกไม้ไปดูดอกไม้อะไรแบบเนี้ยค่ะชวนไปทานอาหารแต่คือไปแล้วเราไม่แฮปปี้เลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเขาไม่ใช่แฟนแฟนแท้เขาก็เลยห่างหาไปนะคะก็เลยก็ตื่ใจที่ว่าไม่เป็นไร ถ้าอาจจะเป็นมารยาทของเราก็ได้มันกอาจจะเห็นว่าเราอยู่คนเดียวอยู่บ้านจะหนาวหรือเปล่าเพรเราอยากจะชวนออกไปเราก็ตอบเขาดีๆไปก็แล้วกันตอบเขาดีๆขอบคุณเขาไหลยแต่ก็บอกว่าเราชอบควารสงบเราชอบอยู่อยู่อยู่บ้านมากเก็ออกข้างนอกนิดยนึก็บอกสายเห็นไปให้เขาฟัค่ะค่ะแต่บางทีก็ท้องยอมนะว่าถ้าเกิดก็ไม่พอใจเขาเกลียดเราขึ้นมาก็ก็นอง เราก็ต้องเลิ ก, ลกระหว่างความสงบกับเม็ดที่เราที่มารบกวนความสงบของเราเรต้องยินดีตัดไปคค่ะค่ะะกับญาติอย่างเช่นว่าคุณมากโก้เนี่ยก็คือเขาจะมีญาติเยอะใช่ไหมคะบางทีชวนไปงานองานวันเกิดบ้างหรือว่างานสารสารเพราะว่าทุกปีก็จะมีพวกเทศกาลอะไรแบบนี้คะ่ะก็ไปบ้างคะาง่ะอาจารย์ก็ถอว่าเป็นหน้าที่ไปใชหมใ่เป็นหน้าที่ไปค่ะ เราเป็นภรรยาสามีเขาต้องไปบองทีเราก็ต้องไปกับแล้วก็ต้องไปคือเราไปก็เจ็ดสิบปอร์เซ็นต่าภาษาไปถ่ายทำนอกสตูดิโอไปเล่นละครนอกสตูดิโอจริงค่ะภาษาเพราะว่าพยายามอยู่กับพูดโทนะคะแต่คือหน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอ่าใช่ใช่ไปเดี๋ยวใครก็ทักทายก็คเยกันพอสมควรพอไม่เสียมารยาทค่ะ คือวัฒนธรรมที่ดัสเนี่ยเขาจะชอบจุ๊บแก้มสามทีอย่างเงี้ยค่ะพระารยก็ไม่เป็นไรก็จุ๊ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นแต่ใจยโยมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใ <laughs> ช่คนไทยเราไม่ชอบจับนิ้วต้องตัวกันใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรทำไงได้เราอยู่เมืองเขาก็ต้องหลิวตาตามเข้าไปต้องแส่ัวชนไปใช่ไหมคะอ่ใช่อยู่เมืองหนึ่งก็ต้องหลิวตาตามไป อ, อย่าทุกกับมัน ถ้าทุกเนื้อผิดแล้วถ้าเราทุกแสดงเป็นกิเลสเราแล้ ว, ลวมันมีภาวะตันหาความไม่อยากไปขึ้นมาเมือมอม่อถึงเวลาจําเป็นจะต้องไปก็ต้องไปต้องทําก็ต้องทำแต่ถ้าหลีกได้เรี่องได้ก็หลีกไปค่ะค่ะโยมก็เลยอจากที่ฟังพระอาจารย์ใช่ไหมคะโยมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นญาติเนี่ยก็ควรจะไปมากกว่าถ้าเป็นเพื่อนก็ปฏิเสธได้ก็ควรจะปฏิเสธแบบนี้คะ่ะ ก็เราทำดูว่าผลจเป็นยังไงค่ะภาษาโอนนี้เพื่อนนี้ก็คือแทบเหลือศูนย์ล้ค่ะช่วนแล้วช่วนอีกก็ปฏิเสธไปเรื่อยแต่เพื่อนบางคนอาจจะสนิทกับญาติก็มีนะก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่มีก็แล้วไปก็มีที่แบบสนิทจริงๆเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าโยมจะจะจะจะคัดเลือกเพื่อนที่แบบพรีเมียมจริงๆค่ะโอเค พ่อจะบอกให้รู้จักเรื่องครอบคนัวเกี่ยวกับครอบคนที่ไม่มีสาระประโยชน์อะไรกับเราค่ะอาจารย์โอเคนะเดีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณมากยินดีพระอาจาย์สวัสดีผมจขอเลื่อนระอาจาสัสครับทวีปเลยสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคำสามค่ะเช่นเดิมค่ะท่าทวีดวิดฝากเซอร์ฮั ก็บอลต้องเต้ค่ะท่านอาจารย์เขาบอกเช้านี้ก็ทานอาหารอยู่พอหนูเดินเข้าไปใกล้เขาบอกเขาไม่ได้ลืมเนื้อเขาบอกเย่างนี้ค่ะเขาบอกเขาไม่ได้ลืมวันนี้อาจารย์มานะหมอบอลต้องเต้นะบอกอย่าลืมบอลต้องเต้ให้ใต้อาจารย์นะค่ะท่านอาจารย์ผมขอขอบคุณนะทุกครั้งค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านในคําสอนค่ะท่านอาจารย์ค่ะไปต่อเลยคุณปังว่าอะไร เ ด, เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจะมองต้องต้องรีไปหน่อยนะคไม่มีคําถามเจ้าค่ะเไม่มีก็ไปเลยนะค่ะวันนี้มีอะไรไหมวันนี้อ๋อไม่มีเขาก็มากราบแล้วกันหลวงพอ่อเอ้ยหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่าเดินบิดาบาดไม่ครบแล้วนานหรือยังครับหลวงพอ่อก็เริ่มประมาทั้สองสองอาทิตย์เลยสองสองอาทิตย์ก็แต่ประวันก็เดินกะ บ, บัดในวันวันที่คนเยอะๆมันก็เห็นใจเคขาเขาโลดสานตั้งใจมาใสา่ แต่วันไหนที่ไม่มีช่องช่วงที่ไม่มีคนใส่ช่วงนั้นแล้วก็นับก็ขึ้นมาไปแทนอ๋อก็หลังจากกัแบบฟังทำไปเยอะยก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีค่าขนาดไหนเราจะไม่รู้ผมจะไม่รู้ว่าชีวิตมีค่าขนาดไหนถ้าไม่ได้ฝึกฝึ ก, กรู้จักธรรมะมันก็มันก็ม่นจะได้รู้ว่าคุณค่าของชีวิตมันมีค่ามห า, าศาลก็พอมาทีนี้ผ่ า, า, านได้เพราะเพราะเป็นมนุษย์นี่แหล ะ, ะไม่มีแม่ไดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นน้องเป็นแมวแล้วไปไม่ได้นะ เพราะถ้าเบื่อๆผมชอบคิดว่าอยู่ไปทำไมแต่ธรรมะมันช่วยได้เรื่องนี้มากเลยครับ อ, อยู่เพื่มากคนที่ผ่านคิดเนี่ยครับคร <c oughs> ับโอเคนะขอบพระพคุณผรข้อมาครับโอเคกรุ๊ปสปรรารต้าเท็กซัสอุเอสใดลัสกับกับนรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะวันนี้ขอร่วมฟังเจ้าค่ะตอนนี้หายแนวเลยไม่ได้ผมพลานะ ดีขึ้นเจ้าค่ะเริ่มดีขึ้นีสิ0ขึ้นแล้วเจ้าค่ะอ๋อแล้วค่ะดีจริงเซลเซียสเล0เซลเซียสจ้าค่ะเซลเซีดีดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะลูกก็เลยได้มีโอกาสตัดผมแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าอากาศดีขึ้นไ่ต้องใช่เจ้าค่ะรู้สึกสบายมากรอมานานแล้ว เอ่ะโอเคงั้นไปที่คำิามต่อไปนะภาษาอังกฤษจ้าค่ ะ, ะคนพิเศษสกลนครไทยแลนด์ตามนมาวัตสกานพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคําถามครับอาจารย์โอเคยังไปที่กลับไปที่ยูเอสเซต่อคุ่เซรินทร์ทอนแมา์เวลแลนด์ตานัตสกานพระอาจารย์เจ้าค่ะก็วันนี้โยมก็ ได้พบสัจธรรมความเป็นจริงเกี่ยวกับมนุษย์ขึ้นเยอะเลยในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าค่ะก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนร่วมงานอาที่เขาได้รับตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ปฏิบัติกับเราเปลี่ยนไปเราก็เราก็พิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มันก็มีมันก็มีเรื่องกระทบกระห่าพอาจารย์ที่ทาให้จิตใจเราไม่ค่อยเรารู้สึกว่าเรา เสียใจกับความเปลี่ยนแปลงของเขาอย่างเงี้ยค่ะแพ้ค่ะอาจารย์แต่ก็ยึดติดเขาเรายังไปยึดติดกับเขาเราไม่ได้มองว่าเาเป็นอังลัตตาไม่เป็นอนิจจังนะโอเคแล้วโยมก็โ ย, ยมก็มองเหมือนกับว่าที่ตลอดที่เวลาที่ผ่านมายอมก็มีคนรู้จักบางคนที่เขาเหมือนกับอาจจะไม่พอใจกับคําพูดความคิดของเราแล้วเขาก็เหมือนกับแสดงออกให้เราเห็นว่าเขาไม่พอใจ มันมันมีหลายๆเหตุการณ์ที่โยมเามาพิจารณาแล้วโยมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าโยมมองทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเขาก็ไม่เที่ยงตัวเราก็ไม่เที่ยงความคิดเราแม้แต่ความคิดเสียใจของเราเองก็ไม่เที่ยงมันก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันไม่สามารถหยุดได้โดยเป็นปกติอะค่ะพระอาจารย์ <c oughs> รก็เลยหยดแล้วขาเบิกขาเบิกขายังมีน้อยค่ะเหมือนเรายังเสียใจยัง ทั้งๆที่ก็รู้ว่ามันเป็นอนัตตาแต่เราก็ยังยังเสียใจกับความคิดของเขาอะค่ะยังนั่ง ม, มีช้างยูง่ไหมยมพิจารณาไปสักพักยมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกช่วงเวลาช่วงเหตุการณ์วนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยววันนี้กับคนนี้คนนั้นแม้กระทั่งกับเราเองถ้าสิงเตียนต้สิงเนี่ยประมาณนะข้อสอง จะเจอเมื่อไหร่ไม่รู้นะกำลังคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรแน่นอนค่ะโยมก็เลยโยมก็เลยเริ่มเริ่มเบื่อกับความคิดที่ว่าและไอ้ที่ผ่านๆมานี่เราอยู่มาได้ยังไงเพราะว่าถ้าถ้าตอนเนี้ยมันเห็นแต่ความคิดนะคะพระอาจารย์เหมือนโยมพอกําหนดสติในระหว่างวันมากขึ้นมันก็จะเห็นความคิดในแต่ละวันคิดทั้งวันปรุงทั้งวันปรุงทั้งวันแต่ข้อดีคือมันรู้แล้วมันมันรู้แล้วมันหยุด แต่มันเดี๋ยวมันก็ไปปรุงไปปรุงไปปรุงตลอดเวลาอย่างเนี้ยค่ะพอาจารย์เราใช้ใช้สติควบคุมให้มันอยู่กับการขึ้ื่นไหวของร่างกายของเราตลอดเวลาสลับกับพุทโธพุทโธมาได้ค่ะพอาจารย์ก็ยองก็ปฏิบัติอย่างนั้นบางทีมันก็อยู่บางทีมันก็มันก็ลืมอรอค่ะแต่ก็พนได้ก็เอาใหม่ทำใหม่ทำใหมก็เลย แลก็เราพยายามนั่งสมาธิให้มากขึ้นอีกเพราะยมรู้สึกว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอุเบกขามันยังไม่มีกำลังน้อยบางวันมันก็ได้บางวันมันก็ไม่ได้อะค่ะบางวันไหนที่กำลังมันดีมันก็สามารถไปกำหนดได้ไปถึงเวลานอนได้อะค่ะแต่วันไหนก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็ก็ยังเป็นอย่างนี้วค่ะพอาจารย์ก็คือการสอบตรงมันก็ลย่างมันมันแสดงว่าเราต้องทางานบ้าให้มากขึ้นนะค่ะพระอาจารย์ก็ ต้องทำต่อไปเรื่อยๆอะค่ะก็ยอมรับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แม้ว่าจะทํามากขึ้นแต่ผลมันไม่ได้เท่าที่ควรอันจะเจอว่าสียที่มันยากกว่าที่เราจะทําได้คือข้าพาจย์คือเรารู้สึกว่าเราอาจจะเป็นโยงอาจจะเป็นคนที่เสียใจเรื่องเพื่อนอะคะ่ะพอมีเราถเราไม่คิดล่วงหน้าก่อนว่ามันเรื่องเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้พอเราเที่ยวถ้าเป็นเพื่อนนะคงจะเป็นเพื่อนไม่ไรอก เขาค่ะมันก็ความเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องธรรมชาติยมก็แต่พอมันเกิดเรื่องแล้วยมก็ดีใจที่ก็เข้าใจว่าความจริงก็เป็นชะนีค่ะอาจายังไม่เล่าข้อมพิจารณาไม่เล่าค่ะพระไม่มีข้อยกเว้นสับเพทสปปรรพสัตว์สปปรรพสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงไม่แน่นอนค่ะพระอาจารย์ยมก็มองกลับมาว่าตัวเราเองก็ไม่แน่นอนออฉะนั้นยมจะต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ค่ะพระอาจารย์ ข่าวนี้ยงก็มีประมาณพระอาจารย <Okay. S 2> ์ค่ะนะครับทูตูค่ะอาจารย์สายที่ขับมาที่ขอ่แก่น ก, กับนมัตการพระอาจารย์เจ้าง่าอยู่ขันแกนค่ะอ่าเป่นยัง ไ, ไ, ไงก็พิจารณาตามที่พระอาจารย์ให้ให้พิจารณาข่ะเรื่องของความความแก<笑><笑>่เห็นใจในกระจกก็เออแก่จริงค่ะแล้วก็ความเจ็บก็เออก็เจ็บเจ็บทุกวันปวดหลังปวดเอวก็ก็ก็ ก็ชินช sa ินค่ะพระอาจารย์แล้วก็ที่น่าเื่องความพัดพลาดก็ได้แบบฝึกหัดจากคุณพ่อค่ะหนูสอบตกไปอยู่สองวันเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะคุณพ่อเขาไปไปนอนบ้านสวนคนเดียวค่ะแล้วเราก็ก็ช็อกไปว่าเอ้าเรามาดูแลพ่อแต่พ่อหนีไปอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วพ่อก็บอกว่าเรามีพ่อเผือกันไปอยู่คนเดียวเผื่อพ่อต้องเดินทางคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์กิก็ตกค่ะ เมื่อนัานจะตกนั่นเดินเราจะได้มีโอกาสได้อยู่เพียงคนเดียวด้วยหนูติดตกรับไม่ทันค่ะพระอาจารย์ตกแบบจนจนดิ่งเลยแล้วก็แบบเอ๊แล้วก็มันก็เห็นในสิ่งว่าไม่มีอะไรทําให้เรามีความสุขเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้ได้บทเรียนอีกว่าเสื้อผ้าอะไรเงินอะไรต่างๆไอ้มันไม่ได้มีค่าอะไรกับเราเลยนะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์สิ่งเหล่านี้ไม่ทําให้เรามีความสุขขึ้นมาได้เลยจิตมันตกไปแล้วมันก็พิจารณาหลังจากนั้นก็ ก็คุยกับเพื่อนว่าเอ้ยมีมีมีความคิดแบบนี้นะเพื่อนก็แบบเพื่อนมีปัญหาเพื่อนก็เล่าให้ฟังแล้วก็โอเคแล้วมันก็ดึงกลับมาค่ะภาอาจารย์หลังจากนั้นพอคุณพ่อทุกวันคุณพ่อก็ยังไปแล้วก็เออก็ก็ก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์มองว่านั่นคือความความสุขแล้วก็เป็นการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณพ่อด้วยเราก็เลยแบบว่าเราก็ค่อยดูแลในส่วนที่เราดูแลได้อะไรเงี้ยค่ะาอาจารย์เราก็ยังโทรไปหาได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีขึ้น แล้วก็พิจารณาเรื่องของเรามีกรรมเป็นของของตนทําให้ปองได้มากขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์เวลาที่ใครมีอะไรกร ะ, กระแทกเราอะไรเงี้ยแล้วก็กรรมของใครกรรมของมันเราก็มีกรรมของเราเธอก็มีกรรมของเธอไม่ยุ่งนะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์<ไ>ก็เลยใจมันก็เลยปล่อยได้ได้ง่ายขึ้นค่ะท่องตรงนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นเอยอะเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนได้ได้เห็นความแก่ความเจ็บ ความพัดท่าแล้วก็กรรมแล้วเราก็ปล่อยวางได้ได้ได้ดีขึ้นค่ะพยายามเท่ามนี้ไว้ทุกวันให้เป็นเครื่องตือนสติเตินใจเรื่อยๆค่ะตื่นมาตือนมาหนูท้องเลยค่ะเรามีความแก่ความเจ็บก่อนจะออกจากที่นอนต่อไปห้องน้ําเห็นหน้าเตัองก็เออเรามีความแก่เปของตัวเองแก่จริงๆอะเงี้ยค่ะ เห็นความแก่ความสูงของตัวเองขึ้นไปทุกวันทุกวันได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนว่าเราขี้เลอะอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจะต่อด้วยอาการ ท, าทันทีสองด้วยก็ได้ตามเด็กเข<อ>ท่อได้เลยหนู ท, ท, ท่องได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ท่องไปท่องกลับแล้วว่าบางทีขับรถไปก็เห็นคนที่ขับรถอยู่ข้างหน้าแล้วก็เห็นขาเขา<ม> <laughs> ดูทีละชิ้นไอ้ผู้หญิงคนนี้เขามีผมเอ้ยผมเขาก็เป็นเหมือนกันเลยเนาะเป็น<ม>อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มองจับเป็นชิ้นชิ้นไปค่ะ โดยแล้วก็ทุกคนก็เหมือนเหมือนกันกําลังเหมือนหาทําทํามาหากินหรือพยายามที่จะแบบ ข, ขายเลี้งชีพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นภาพผู้คนวุ่นวายค่ะส่วนตัวเองก็พยายามที่จะถอยมาวางแผนทําอนาคต ท, ที่จะได้อยู่สงบสง บ, สงบได้ค่ะพระาอาจารย์ <laughs> แต่ตอนนี้หนักมาก<อ> <laughs> ทํำหลายอย่างค่ะ ค, ค่ ะ, มะ ไ, ไม่ไ<อ>มีคําถามค่ะอาจารย์จะ ปฏิบัติแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆค่ะอย่าไว้วางค่ะโอเคไปที่คุณชนิดชนิดจากชนะนินเทจากตกเกียวใช่ไหมค่ะนามาสการ์ค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมค่ะ ม, มีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้โดนคนในครอบครัวแอบอยักยอกเงินไปหกแสนกว่าบาทต อ, อทนแรกทำบุญไปแล้วกัน ค่ะพคาคําของพระอาจารย์ก็เข้ามาในหัวเลยเพราะว่าเออมีเงินก็ลองเอาไปบริจาคสิมีเท่าไหร่ก็ได้แต่ก็เมื่อคิดอีกทีเอ้ยอั น, นอันนี้มันเราโง่โหดพี่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่เห็นค่าของเงินหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการบริจาคที่ไม่ไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวหรือเปล่าหรือยังไงก็อยไฟบังครับแม่อย่าง ไ, องอาไ ฟ, บ, ไงไฟบังคับ มันอยาก<อ>จะบริจาคก็ต้องบริจาค嘛ถ้าไม่ถ้าไม่ยอมบริจาคมันจะทุกข์มากถ้าเกี่อเป็นการบริจาคมันก็จะหายทุกข์ก็คิดว่าเป็นการทําบุญไปเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในใช่ไหมคะว่าอาจารย์วันแรกรู้สึกแบบว่าจิตตกมากเลยแบบเฮ้ยทําไมถึงทํากันได้ทําไมไม่พูดสักคำขอดีๆก็จะให้แต่ทําไมต้องมาทํายักยอกอะไรไปแบบนี้แล้วคําพระอาจารย์ก็เข้ามา มีเงินก็มีแต่ถ้าไปคิดถ้าเราเอาอะไรนะเอาจิตไปคิดเราก็จะไม่สบายอะไรนะคะก็เลยเออถ้าเราไม่คิดว่ามันเป็นทุกข์เราก็คงจะไม่ทุกข์งั้นก็เออปล่อยมันไปแล้วกันเสียดายก็เสียดายค่ะอาจารย์นผ่านไปแ้เามันไม่ใช่เป็นของเราถ้าม็นของเราเดี๋ยวมันกลับมาหาเราเองค่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นค่าของเงินที่ไม่ไป ทวงถามคืนหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเห็นว่าชา้างอ้อยเข้าปากชา้างแล้วถูไงก็ไม่ได้อยู่ดีถูงไายเลย่ไหมถ้าทวงได้คงไปทวงมานานแล้วล่ะใช่ไหมแต่คนทวงก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมแล้วไม่อยาก<ถ>จะไปเครียดกับมันใช่ค่ะก็คือวันที่ทราบก็ก็ถามว่าอ๋อเงินนี้าจะจะคืนไหมหรือว่ายังไงอ๋อไม่คืนไม่อยู่แล้วโอเคไม่อยู่แล้วแปลว่าไม่ได้ ดีไม่ไม่คิดแจ้งความด้วยออะไรนี้แหละแล้วไม่คิดเอาเรื่องของเราะไรเลยทีแรกก็คิดว่าจะทำยังไงดีนะคือคิดคิดอยู่หนึ่งวันเต็มเต็มเลยค่ะที่แบบว่าจิตตกมากไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้เสียดายจานวนเงินนี้หรอกค่ะแต่ว่ามันรู้สึกไม่สบายใจที่ทาไมต้องทำกับเราทำไมต้องโกโหกการอะไรประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ ถ้าขอดีๆก็จะให้มันเป็นการบริจาคที่แบบไม่ทไหน่อยก็ดีไม่คิดว่าเป็นการใช้กรรมเราไปก็แล้วกันาากอาจะมีเวรมีกรรมกันมาค่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมั น, มน ไ, ไม่ควรจะไปวเทผ่านไปแล้วมจับไปอย่าไปแบ่มันเสียของแล้วอย่าไปเสียใจด้วยอย่าไปเสียสองเร่งมันเี่เสียแร่งเดียวค่ะพยายามคิดอย่างนั้ น, นค่ะพระอาจารย์ต้อง ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้นี่คิดว่าน่าจะถึงตํารวจน่าจะถึงถึงถึงแจ้งความแน่ๆค่ะอืมอะก็ไม่ดีนะการเป็นเรื่องเป็นราวนั้นค่ะฆ่าพยาบาลกันตายดิ้นรนก็แผลไม่ตาให้อภัยค่ะมันจ้องเวรกันมันมันมันมีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์คือไม่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแต่ว่ามันไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าเยคือมันมันไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างนี้เลยมาบอกว่าไม่โกรธแต่ไม่เกลียดไม่ไม่โกรธแต่แบบไม่เจอได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันเกลียดไงมันเกลียดมันไม่โกรธมันเกลียดอย่างนี้เขาเรียกพยาบาทไหมค่ะอาจารย์ก็ไม่พยาบาทเลยมันเกิดความชังขึ้นมันไม่อยากจะเจอหน้าต้องเฉยเฉยเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอ อ๋ออันอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นเป็นอย่างไม่เป็นอุเบกขาเขาเรียกอะไรคะอุเบกขาอะไรอย่างไม่ใช่เจ้าอุเบกขาต้องเฉยเต้องรู้สึกแบบเฉยเมันก็ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอ๋อเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้อย่างนี้ใช่อ๋อตอนแรกหนูคิดว่าไม่เจอดีกว่าคือก็ยังมีความเรายมีความชังอยู่มันก็ยังไม่อยากจะเจอ อย่งยังลบได้ไม่หมดก็คือถ้าเจอแล้วยิ้มได้ปกติก็คือเป็นปกติแผ่เมตตามือนเดินทางสบายดีนะจ๊ะอะไรนี้แต่ไม่ควรไปยุ่งด้วยอีก <c oughs> ก็ได้ก็ถ้าถ้าหลบได้ก็หลบเลยได้ก็เลยก็ได้ถ้าไม่อยากจะเจอแต่ถ้าเจอก็ต้องรักษามา ย, ยาบเลย่าพระอาจารย์จะปฏิบัติตามค่ะพระอาจารย์แล้วก็ขอบคุณ ขอบพระคุณพระอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ลูกชายถามพระอาจารย์นะคะ mm hmm. หลังจากนั้นรู้สึกประพฤติตัวดีขึ้นเพราะว่าหนูจะอ้างว่าพระอาจารย์บอกว่าไงนะอยาให้เ mm hmm. ชื่อคุณแม่ใช่ไหม mm hmm. เล้วก็โอ้จริงด้วย mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวน้องจะได้ไปสวรรค์จะได้ไปนิพพานใช่ไหมทําอย่างนี้จะตกนรกไหมถ้าน้องตีคนอื่นน้องจะตกนรกไหมเ mm hmm. ขาเริ่มเขาเริ่มขเมขาเริ่มกลัวการ mm hmm. ทําดีกับทําไม่ดีแล้วค yeah, ่ะดีดี กราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ฮ่ า, าฮ<ะ>โอเคไปที่คุณจอยต่อพทอัทยาจอย <c oughs> เกือบไม่ทันแล้วค่ะเด็กเด็กนอนกันหมดแล้วนะเข้าห้องกันหมดไอ้คนโตทําการบ้านแล้วก็อันนั้น <c oughs> กําลังสอบมันอยู่ยนะเอ่อค่ะ <c oughs> คนคนกลางกําลังสอบนะคะคนเล็อกหยุดหยุดสิบวันตรงที่โรงเรียนเขามีงาน <c oughs> เมื่อกี้หนูรออยู่พื่อน้องเก็บเข้าไม่ทันค่ได้เข้ามะเดี๋ยวว่ามันวันวันพระใหญ่วันมาค้าบูชาใช่ไหมคะไปใส่บาตรไปใส่บาตรดีค่ะค่ะทุกค่ะท่านนี้ก่นนะค่ะโอเคไปที่คนชนะตาชนะตาระบบปากการือศีราชาอันนี้สูตรปากการเจ้าค่ะพระอาจารย์รกาการค่ะวันนี้ วันนี้สินไม่ครบราคาพระอาจารย์สินไม่ได้ไม่ไม่ได้สินแปกค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ว่าก็ดูจิตอยู่เป็นระยะระยะค่ะเพราะว่านึกถึงคําสอนของพระอาจารย์อยู่เสมอว่ามันเกาะจิตเราไหมอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ได้เข้าไปทํางานค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับคนนู้นคนนี้ได้ดีลงานอะไรเงี้ยค่ะมันซึ่งก็มีทั้งได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยค่ะก็ดูก็ดูว่ามันเกาะมาไหมเวลาที่มันไม่ได้มันไม่ได้แต่งใจ มันไม่ชอบใจมันไม่เป็นไปนอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะเอ่อก็กลับมาที่คอนโดแล้วก็ก็ดูดูมันเกาะไหมมันเกาะไหมอย่างเงค่ะพระอาจารย์ก็พอดูพอดูแล้วมันก็ไม่เกาะพอดูแล้วมันก็จะไม่เกาะอคะค่ะพระอาจารย์เสร็จแล้วเอ่อเอ่เอตอนที่แล้วก็ดูดูความก็ดูเหมือนเหมือนกับว่าได้เห็นกายตัวเองเป็นระยะระยะมันก็เห็น เวลาที่เราหายใจแล้วตัวมันช่วงช่วงอกมันกระเพื่อมกระเพื่อมอะไรเงี้ยค่ะผาจารย์มันก็มันก็ลูกยังไม่ทันได้ตั้งได้ตั้งตัวว่าจะทาสมาธิอื่นยังไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอยู่ดีๆตรงข้อสอบที่วางตรงโซฟาค่ะเขามันรู้สึกเหมือนเหมือนมันนิ่งมันเกิดเป็นตรงข้อสอบมันเกิดนิ่งขึ้นมาแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือน กายข้างในมันเคลื่อนไหวหแบบซ้อนๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ลูกก็เลยอก็เลยคิดว่าควรควรจะเข้าสมาธิแล้วล่ะอะไรเงี้ยลูกก็เลยเข้าสมาธิพอเข้าสมาธิไปมันก็มันก็สบายสบายยาวไปเลยอะค่ะพระอาจารย์มันก็เลยเหมือนว่างไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็กินเวลาเป็นเยอะแต่ว่าเรารู้สึกแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็มันก็มาง่ายเหมือนกับว่าพอเราดูจิตไปเรื่อยๆว่ามันมีอะไรเกาะมาไหมเกาะมาไม้มอย่างเงี้ยค่ะผอาจารยนแล้วพอพอพิจารณาปัจจุบันปุ๊บมันก็เหมือนเข้าอุเบกขาง่ายง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะผอาจานนั่นดีไปรักษาจิตให้มันว่างๆาเรื่อยๆอยี้ยมัาานได้มีเรื่องมีราวค่ะผอาจา์ได้มีเรื่องมีราวค่ะโอเคค่ะผ่าจายนครับต่อไป ค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้พิจารณาตจรักมากค่ะพระอาจารย์รแต่ว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าตอนทานอาหารนะคะพระอาจารย์ก็ก็พอดีว่าเปิดธรรมะฟังด้วยอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพระรูปหนึ่งท่านท่านท่านสอนท่านพูดท่านพูดถึงครูบาอาจารย์ว่าเวลาท่านเข้าห้องน้ำสมัยก่อนที่เขาขุดเป็นดินเข้าไปขุดดินไป เขาเรียกเหมือนเป็นเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระจ่า mm hmm. แล้วมันจะมีอุจจระเก่าสะสมอยู่แล้วท่านจะเล่าละเอียดเลยค่ะว่าเข้าไปถ่ายแล้วมองเห็นก็เป็นเออ่มีหนอนมีอะไรไต่กันยั้วยเยีย้ยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็ทานข้าวอยู่พอดีค่ะก็เลยดูก็เลยคิดตามไปด้วยคิดตามไปด้วยแล้วก็นึกถึงอุจจระตัวเองด้วยอะไรที่พระจ่าสอนว่ากินเข้าไปกับออกมา แล้วมันคืออันเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ก็ <laughs> ดีเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ทันทีกันี้ให้ให้คิดตามที่เราอยากกินท่านตอนที่ยังไม่ถึงเวลาอยากกินกินก็กินกันเราไม่กิงถ้า<อ>ไปคิดตามที่เรากินเดี๋ยวกินไม่ลง <laughs> อ่ะมาจังหวะเขามาจังหวะ น, นั้นพอดีเลยคะ่ะพมมระอาจารย์อะไ ค, คิดตามไม่เป็นไรอะไรคิดตามไปเลยดีไม่ดีเลยอิ่มเลยขึ้นมาเลยกินไม่ลง คระอาจารย์แต่วันนี้ก็แบบก็เลยไปโดนข้าเดนียวมาม่วงตอนบ่ายเนียแหละค่ะพรอาจารย์ของปวด <c oughs> ก็เลยขอขอแบบอืหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์ mm hmm. แล้วคิดอยู่เอ๊ะเรารักษาศีลไม่ไม่ได้ตามที่พูดแล้วที่ได้ตั้งตั้งใจไว้ก่อนนี้แล้วเอ๊ะเราจะเข้าสมาธิได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าวันนี้จากว่าตอนบ่ายเสร็จงานเราจะเข้าไปนั่งสมาธิที่คอนโดอะค่ะ ก็ปรากฏว่าพอเข้าไปเราก็ดูที่ที่เล่าไปเมื่อสักครู่ค่ะพอดูจิตดูจิตอะไรไปเรื่อยๆแล้วคือมันก็มันก็เข้าได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยบางทีบางทีเขาเนี่ยว่าโมจาร์เดียวอาจะไม่มีปัญหาก็ได้ถ้าปล่อยให้มันไปดี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะกิงมากขึ้นมากขึ้นครับต่อไปบางทีอาจจะค่อยมีปัญหาก็ได้ ค่ะค่ะอย่าไปช้าใจว่าเราไม่กินข้าวเราเรากินหลังเที่ยงก็ได้เข้าสมาธิได้แล้วกินมันทุกวันแล้วค่ะเดี๋ยวข้าต่อไปมันจะว่วงมันจะเข้าไม่ได้เข้าใจค่ะพระอาจารย์ค่ะอย่าไปยองว่าเฉพาะอาจารย์นิจารย์เดียวแล้วไปทําให้เราไม่ไม่ไม่มีผลต่อการเข้าสมาธิคือคอนจีการเข้าสมาธิได้ได้หรือไม่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่สติมากกว่าค่ะพระอาจารย์ ค่ะอมลูกก็เลยสําคัญว่าเออแต่แต่ว่าออกมาก็อยากทานคุณทานนี่แต่ว่าไม่ทานแล้วนะคะพระอาจารย์เพราะว่าแค่นั้นพอจบจบ<ช>แล้วพอกลับ ม, มาถึงบ้านก็เปิดเปิดโต๊ะ อ, อาหารดูนะคะมีอะไร <laughs> แต่ว่าไม่ต่อไม่ต่อคะ่ะพระอาจารย์ต้องเชื่ถึงตนนอนตอนนั้นต้องเชื่อถึงตนนอน <laughs> <laughs> พอพรไม่ คือไม่คือไม่ต่ อ, อ น, นี้ไม่ต่ออันนี้แล้วก็แล้วก็นึกถึงเรื่องการปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างไม่ว่าบางทีเราพลาดเราหลุดเราอะไรนู่นก็ปล่อยปล่อยไปให้หมดปล่อยไปให้หมดแต่ถ้าอ่าอย่างเรื่องทานก็ต้องคือมันต้องมันต้องรู้จักหยุดแล้วมันก็ต้องรู้จักปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนกับประมาณอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์คือไม่ให้อะไรมันเกาะจิตเลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะรู้เข้าใจไว้อย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์ ก็ดีดีโอเคนะให้มว่าไม่เิด็ว่างันที้สุไม่ใหมีอะไรค่าพาจานใรู้เฉจักแต่ว่าค่าผาจานโอเคนะป่าูค่าผาจานนอบน้อมค่าพ่าจานท่านสุดท้ายแล้วคุณพัสวียาจ้งป่าผาจานค่ะ ชื่อถูกไหมขอไปตัวมันได้อตาเราไหมถูกค่ะถูกค่ะพระอาจารย์อยูที่ไหนอยู่ที่ไหนถูกบางใหญ่นนทบุรีค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมก็จะมาถามปรึกษาพระอาจารย์พอดีเดือนกุมภาก็จะวุ่นวายมากพอดีมีอบลมเยอะก็จะไม่ค่อยได้ปฏิบัติแต่ก็พยายามที่จะแบบจัดเวลาก็มีครั้งหนึ่งก็ก็นั่งนั่งดูลมค่ะเสร็จแล้ว รู้สึกว่ามือมันหงิกแต่ว่าก็นึกในในในหูก็มีเสียงพระอาจารย์ว่าอย่าไปสนใจก็ให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปก็นั่งจับเวลาไปได้ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วพอลืมตาดูมามันก็ไม่มีอะไรมือเราก็ไม่ได้หงิกมันก็ยังอยู่ท่าเดิมออันนี้ก็เป็นเหมือนประมาณว่าเราเราคิดไปเองนะคะอาจารย์ใช่จิตเราส่วนใหญ่มักจะคิดปเองห<ภ>าได<ต>้บางทีนั่งแต่บางทีมือมันถ้าในมือมันอาจจะเหมือนกับว่ามันมัน มันแข็งนี่มันมั น, ม, นมันล็อกติดกันเยอะก็<ต> ไ, มไม่เป็นไรมันเป็นธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนั้นอ๋ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งช่วงสักสองอาทิตย์ก็แบบจัดเวลามานั่งไม่ได้เพราะว่าอบร่มต้องออกจากบ้านเม้่หกโมงเช้ากว่าจะกลับสามสี่ทุ่มเลยนะก็จนเว้นสองอาทิตย์แล้วมานั่งใหม่คราวนี้มันก็เป็นมือหงอิกเหมือนเดิมนะคะจาน<ม>ว่าถ้ามันเกิดเฉพาะเวลาที่เรานั่มนก็มันน<ม>ั่นก็เปแบบ็นปกติของร่างกาย เขแต่ลืมตามดูมามันหงิกจริงๆค่ะพระอาจารย์คับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายถ้ามันหายก็ไม่เป็นไรค่ะก็ก็มามาฟังพระอาจารย์บ่อยๆนี่ก็รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นนะพระอาจารย์เพราะอย่างอย่างล่าสุดแบบโทรศัพท์มีปัญหาไลน์ย้ายไลน์เครื่องอะไรเงี้ยมันมันลบไปอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกทำให้แล้วลูกเหมือนแบบไม่อยากทําอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วมันลบไปหมดเลยข้อมูลหายไปหมดเลยแบบแบบ คลเสียงที่คุยกับพยาบาลตอนพ่อป่วยทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดเลยแต่ว่าเราก็เราก็คิดได้อป้าจารย์เราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรมันก็คืออดีตอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูก็คงจะแบบว่าดุแล้วก็อะไรอย่างนี้มากเลยก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าจะเป็นอานิสงส์ที่แบบเรามาฟังเรามาเริ่มปฏิบัติแล้วมันก็ดีขึ้นป้าจาย์ ได้เรารู้จักปล่อยวางมากนะอะอรจ ะ, ะเกิดก็เกิดเราจะผ่านไปก็ผ่า น, ผ, านผ่านไปผ่านไปห้ามมันไม่ได้ค่ะจะขออนุญาตถามพระอาจารย์นะคะอันนี้ก็คือแบบพอดีพ่อเสียใช่ไหมคะแล้วก็แบบคือเรื่องเงินเรื่องสมบัติของพ่อเนี่ยก็ยังไม่ได้แบ่งกันอะไรอย่างนี้ยค่ะก็จะปรึกษาพระอาจารย์นิดนึงว่าคือพี่น้องหลายคนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็พูดในลักษณะว่า ใครที่ไม่เคยให้เงินเดือนพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปแบ่งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไรแต่พอหลังๆพอเริ่มมาฟังธรรมะอะไรเงี้ยก็แบบมีธรรมะข้อหนึ่งน่าจะเป็นของพระอาจารย์ที่เคยพูดว่าถ้าเราไปเอาของของเขาโดยที่เขายังไม่ได้อนุ ญ, ญาตและหยิบมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าผิดศีลในศีลห้าอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากจะให้พระอาจารย์แนะนําตรงนี้ค่ะ แล้วก็จำใ จ, จเฉยๆไบปล่ยให้เขาวาดไปเขาจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่อย่าไปเอาไปแลป้วแต่ไม่ <c oughs> ไ ม, ไม่ไม่มีแล้วเราอยู่ได้คิดอย่างนี้แล้วกันออใะไรแต่หนูก็มองว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องทะเลาะกันค่ะอาจากยปอยเราทะเลาะกันเราอย่าไปยุ่งเอ า, าอันนี้อ๋อเราก็อยู่ของเราเฉยๆแล้วอ่ไม่ไดเฉยไปอ๋อค่ะอย่าไปทุกข์กัน เพร า, าบ้านที่จะขายมันก็เป็นชื่อหนูด้วยค่ะพระอาจารย์อแล้ว ถ, ถ้าเรามีสิทธิ์พูดเราก็พูดได้ถ้าเรามีสิทธิ์เขาบอกว่าอก็มันอยู่ในชื่อเราถ้าเราถ้าเขาไม่ยากฟังเราเราก็ไม่ไม่ไม่เสร็จให้เขาเขาก็เขาก็ต้องฟังเราหไอ๋อค่ะแต่ว่าหนูคือคถ้าสมมติว่าขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอามาแบ่งกันนะคะแต่หนูก็มีบอกลูกไว้ว่าคือบ้านเนี่ยมันเป็นของอากงอาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม่ตายไปก็คือก็เอาส่วนของแม่ไว้ที่เขาแว่งหารมาแต่ว่าอันไหนที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ต้องไปเอาแต่ว่าบ้านน่ะมันเป็นชื่อเราไรเงี้ยเรต้องคุยกันอนะ่ะต้องปรึกษาว่ามันจะแบ่งกันยังไงอ๋อทีนี้จะถามพระอาจารย์คือหนูมีความคิดเห็นว่าจริงๆอ่ะลูกแบบก็คือของพ่อแม่ทุกคนอนะ่ะหนูก็คิดว่าแบ่งเท่าๆกันไปเถอะก็ดีก็ดี่นี้นได้กนดีแต่เขาเารึเป่าก็ ถ้าเรามาคิดว่าใครไม่เคยแบบให้เงินเดือนแม่ไม่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปให้หนูมองว่ามันไม่ใช่เหมือนเรามีลูกอะ่ะเราลูกเราห้าคนเราก็ให้กินเท่ากันทุกคนหนูคิดอย่างนี้ยค่ะใช่พ่อแม่รับลูกทุกค น, ห น, กนเหมือนกันก่อนใช่ค่ะก็ดีแหละถ้าเราคิดอย่างนั้นได้กันเองมันก็เป็นความคิดทยุติธรรมใช่หนูก็ไม่ต้องไปคิดมากคิดน้อยหรอกเพราะว่า ลูกห้าคนก็หารห้าไปก็จบเขาจะไปทําอะไรรักษาได้ไม่ได้ก็เรื่องของเขาเลเนี่ยดีที่ส ถ, ถ้าตกลงกันได้ก็โอเคอ๋อถ้างั้นหนูก็ออกความคิดเห็นแบบว่าก็แบ<ช>่งไม่ต้องมาคิดว่าใครลงมากลงน้อย น, <ต>น่ถ้าถ้าเขาไม่ฟังแล้วก็ให้ลงแบบประชาธิปไตยกันนล้วกันลงคะแนนเสียงดู5 ค, คนจะออกไว้ยังไงก็ว่าไปสอ<ช>งต่อสามหรือสามต่อสอง แล้วสี่ตอนหนึ่งอะไรก็ว่าไปเอาเสียงส่วนใหญ่ก็ตามเสียงก็จะมีคนที่เขาลําบากอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะรอตรงนี้แต่ว่าตอนนี้คือมันก็ยังไม่ได้เป็นเม็ดเงินมาเราโลก็ได้แต่โอนเงินช่วยคนที่เขาลําบากไปตามที่เราช่วยอย่างเงี้ยเีแล้วก็ทำบุญของเราไปแล้วกันขอบคุณจันกอกดนะมาจ่ายค่ะคัะดีค่ะคุณปอนวันนี้มาแทนคุณล่ะ มีคำถามจากเฟนรุ่มแม่ปอนกับนักแรดงหลวงพ่อครับมีแปดคำถามครับเอาละครับคําถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกับเรียนถามพระอาจารย์ตอนนี้หนูมีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากภาวนาเพราะทั้งเวทนาทางร่างกายที่รุมเรา้าไม่สามารถตามดูตามรู้สภาวะที่เป็นได้ หนูจะต้องทําอย่างไรเพื่อแก้อารมณ์ที่ท้อแท้เบื่อจนบางครั้งเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าครับเพื่อทำเท่าที่เราทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปทําก็ได้ใช้อ่านหนังสือธรรมะไปก่อนทำเทศธรรมธรรมไปก่อนก็ได้ะคือต้องดูกําลังของเราว่าเราทำเราทำอะไรได้บ้างมาทําไปส่วนนี้ที่เราทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปทํา แล้วก็บอกว่านี่มันเป็นช่วงอารมณ์นั้นเองอนท้อแท้มันไม่ได้ท้อแท้มั น, ะนตะนอนช่วงนี้มันจะท้อแท้เดี๋ยวทัทว้งผ้งมามันก็หายหายแล้วค่อยกลับมาทำใหม่ก็ได้ลองทำในสิ่งที่เราทำได้ไปก็แล้วกันคาถามต่อไปจากคุณสุนันทากรรมมีจริงหรือไม่ครับกรรมลาการกระทําไงคุณคิดนี่ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งครับคุณพูดก็เป็นกรรมอย่าหนึ่ง เคลื่อนไหวด้วยร่างกายก็เป็นกรรมอีกอย่างนะแล้วกรรมมันมีแบบดีแบบไม่ดีแบบดีก็เรียกว่าบุญเช่นทําให้คนหนึ่งเขามีความสุขแล้วก็เรียกว่าบุญถ้าไปทําล้วใ้คนหนึ่งเขาทุกข์แล้วก็เรียกว่าบาปพอทําเสร็จแล้วมันก็มีผลเกิดขึ้นที่ใจเรานี่ยแหละเวลาเราทําให้คนหนึ่งเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยเวลาเราไปทําให้คนหนึ่งเขามีความทุกข์เราก็ทุกข์ไปด้วยอันนี้แหละคือเรื่องของกรรมมีแค่นี้แหละ อยู่ที่กายวาจาใจของเรานี้คคำถามต่อไปจากน้องหลิงหนูฝึกแยกแยกกายกับจิตกับหลวงตายเยื้อนตอนผ่าสมองเสร็จได้รู้ถึงกายกับจิตคือคนละส่วนกันแต่ปัญญายังไม่เกิดครับต่อมาปฏิบัติกับพระอาจารย์ฟังธรรมะและถามตอบปฏิบัติถีขึ้นความฝันของหนูหายไปหมดเลยปัจจุบัน เมื่อรู้สึกว่าร่างกายหนาวก็นั่งสมาธิไม่ต้องทานยาวันรุ่งขึ้นอาการต่างๆก็หายไปแล้วก็ผ่าสมองมีอุปกรณ์ในสมองก็ไม่มีผลต่อหนูเจ้าค่ะอาการชักก็ไม่มีเสียงเครื่องบินหายไม่มาแล้วค่ะใจหนูอยากบวชแม่ขอให้ตายในหน้าที่สาหรับหนูคิดว่าบวชไม่ได้ ร่างกายพิการเรียบร้อยหาเงินใช้หนี้เจ้าค่ะผลจากความอยากทุกอย่างเป็นขั้นขั้นสิ่งที่หนูเจอกับคิดไว้ถูกหรือไม่เจ้าคะก็เท่าที่ฟังมาก็ก็ใช้ได้นะเร้วถามต่อไปคำถามต่อไปจากคุณอนุสร์ธรรมะพื้นฐานพรตนไตรัยเข้าสู่จิตใจควรปฏิบัติ น้อมนำเช่นไรที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาขอหลวงพ่อโปรดเมตตาด้วยครับกพระอาารย์ตายก็คือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเลแล้เราก็ศึกษาคำสอนของท่านห น, นังสือที่คาดเมาจากพระตายวิดดก็ได้เช่นพระสูต่ตางๆแล้วก็เลือกเรืองฟังธรรมะของครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนเรเป็นการเข้าถึงพระรัตนะไปคำถามต่อไปจากคุณพนากรเจอเรื่องร้อนใจเป็นผลหลักๆจากการกระทาของตัวเราเองครับทำอย่างไรให้เรื่องที่เกิดนี้ทุเลาลงได้บ้างครับก็หยุดสยหยุดการกระทาของเราไปทำอะไรไม่ดีแล้วก็หยุดมัน ให้เราเดือชัวลาแล้วมันทําให้เราไปทําอะไรเสียหายเราก็พยายามเลิกือดชั่วลาไปอย่าไปเดือดไปเมื่อเราหยุดการกระทําผลที่เกิดจากการกระทํามันก็จะหายไปถ้ายังทำกระทําเหมือนเดิมอยู่ผลที่เกิดจากการกระทํามันก็ยังไม่หายคําถามต่อไปจากคุณวาสนาพระอาจารย์เคยบอกว่าศีลเป็นของมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรมินจินดาทําไมไม่รักษาไว้ตลอด ทำไมถึงจะรักษาแค่วันพระหรือวันสําคัญผมได้รับฟังแล้วน้อมนํามาปฏิบัติตั้งใจรักษาตลอดวันที่ตื่นมาน้อมกราบสาธุครับอ่สาธุด้วยเพราะว่าศีลนี้เป็นเป็นเป็นเครื่องรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ถ้าเราไม่รักษาศีลใจเราจะต่อไปจะไม่ได้เป็นมนุษย์แต่มันจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตไปเป็นนรกไป คำถามต่อไปจากคุณเป้าญาติพี่น้องชอบคิดจะมาเอาเงินจากเราเราจะโมโหมากแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญกับพระปฏิบัติหรือทำบุญอื่นๆจะมีความสุขมากครับแบบนี้ผิดไหมครับก็ผิดตรงที่เราไปเราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พอใจเขาแต่การเอาเงินไปทำบุญไม่ผิดอนะแต่เราคนอยากคิดว่าเขาก็า จ, จะต้องมาขอรับบุญจากเราก็ได้แล้วก็ทำบุญเขาไปบ้างก็ได้ แล้วเราจะได้มีความสุขแต่นี่ยังเปความทุกข์จากการที่เข้ามาขอเงินเราถ้าคิดว่าเราแบ่งให้เขาได้มากก็ให้เขาไปเป็นการแผ่เมตตาไปอันนี้เราแสดงว่าเราเราไม่ยอมแผ่ให้เขาเราก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาคํถาถามสุดท้ายจากคุณสิวาการพระอาจารย์ครับถ้าเราย้อมผมเพื่อปิดผมงอเราติด ราคะจริตไหมครับบาปไหมครับถือสินแต่ได้ไหมครับก็เรายังรักษาเรายังรักความสวยความงามของร่างกายเอี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่มันมันต้องมันต้องแก่ผมมันต้องหล่อย้อนไปก็เป็นเหมือนกับเป็นการหลอกตัวเราเองนั้นก็เป็นเป็นกิเลสอย่างหนึงก็เรียกว่าเป็นการมาราค็ได้ยังละยังอยากให้ร่างกายสวยงามเนี่ย งั้นก็อย่าไปอย่าอย่าไปย้อมมันอีกแล้วป่านนันเป็นไปตามธรรมชาติอยอมรับว่าร่างกายมันต้องแก่ไปตามเวลาของมันแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์เนี่ยถ้าคอยมาคอยยอมอยู่เรื่อยๆแถ้าเราไม่ได้ยอมเราจะเกิดความรู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเรามาได้โอเคนะหมดแล้วนะก็คิดว่าหมดเวลาสําหรับวันนี้พอดีนะสามทุ่มสีทุ่ก็ครึ่ง ก, กว่าแล้วเกับสี่สิบนาที ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเธอ